อ้าววันนี้น่าโอกาสดีนะได้มาพบพวกเราที่นี่ศรีสะอศกนะ่ะที่จริงศรีสะอศกเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นที่แรกนะที่จริงที่ที่สองสาเลโศกเกิดก่อนเนาะที่จริงอะาสาลซ า, า, าโศกนะ่ะ ไปบุกป่าชาเขาก่อนแล้วเราค่อยให้ท่านดินดีกับอักขเชโยไม่ใช่อค ก, กขวันโนมามาบุกที่นี่ท่านมาเองไม่ได้ไปบอกท่านหรอกท่านรู้ว่าป่าชาที่นี่อยู่ที่นี่ท่านก็เลยมาอจอดที่ป่าชานี่ น, นะจกนกระทั่งตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ ก็เลยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เลยไล่แล้วออกจากประชาสนิ์เลยกลายมาเป็นหมู่บ้านศรีสะอโศกไป น, นี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดมันเป็นมันตั้งขึ้นอย่างที่เรียกว่ามันมันเป็นไปโดยธรรมเป็นสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะตั้งอยู่ได้หรือตั้งอยู่ไม่ได้ มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วตั้งขึ้นมาอย่างที่เป็นหมู่บ้านเลยในขณะนี้เนี่เป็นหมู่บ้านถึงขนาดว่าเราเซสังส่งเซสั่งถึงขนาดว่ามันจะยุบหมู่บ้านนี้ไปรวมกับหมู่บ้านราษนะโอ้โหมันเป็นไปได้นะแต่เสร็จแล้วเราก็ตั้งหลักนะตั้งหลักไม่ยุบแต่เราก็จะก่อเกิดขึ้นไปแล้วก็จะทําไปให้มันเป็น เป็นกลุ่มชุมชนมนุษย์ชาติที่จะมีชีวิตเป็นชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตสังคมกลุ่มนะเป็นชีวิตชีวิตที่เป็นหมู่กลุ่มที่เราเรียกได้ว่าสงสงแปลว่าหมู่กลุ่มนะเป็นสงเป็นหมู่กลุ่มและเป็นสงไม่ใช่สงธรรมดาด้เป็นสงขั้นอริยสง เป็นสงฆ์คนเจริญเป็นหมู่กลุ่มคนเจริญคนประเสริฐพูดไปแล้วเมื่อเราคุยตัวก็มีหมู่กลุ่มคนประเสริฐมีนักบวชมีพุทธบริษัทนักบวชชายนักบวชหญิงแล้วก็มีมีอุบาสกอุบาสกิก อุบาสิกาเป็นฆราวาสพุทธบริษัทคือคนที่มีศีลมีธรรมเป็นบริษัทของพุทธเป็นบริษัทของพุทธที่อัตามาเคย อ, อธิบายแล้วว่ามันมีพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะและก็พุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนก็คือคนที่เป็นศาสนิก เป็นสมาชิกอ่าเป็นผู้ที่ถือถือนับถือาศาสนาพุทธทั่วไปเอาจริงไม่เอาจริงไมร่รู้จะเข้าถึงพุทธธรรมสง์อะไรหรือไม่ยังไงก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทาอะไรไปทําก็ทําบ้างทำเล่นเล่นมาขอปฏิญญาณตนขอปฏิญญาณเป็นพุทธมามากะว่างั้นนะเช่นมานะโมตัสสะแล้วก็มาพุทธังสระนงังขอเข้าถึงพระพุทธธรรมสง์ พุทธังสระนังเขาถือที่พึ่งพระพุทธประา ป, ป, ประสงค์เป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยมากล่าวกล่าวตนประดานปฏิญญาณเป็นพุทธมามะกะก็มีบ้างแต่ก็กล่าวไปตามจารีตตามประเพณีเป็นศิลประตูปาทานเป็นการกระทําไปตามโลกโลกก็พากันทําก็ะทำไปไม่เข้าใจทําแล้วเอาจริงแค่ไหนเกิดจริงแค่ไหนได้ผลได้ประโยชน์ จากที่เราตั้งใจว่าเราจะมาเป็นตัวปฏิบัติตัวประพฤติตัวศึกษาที่จะเกิดประโยชน์มีการเข้าถึงจริงมีการบรรลุจริงก็ไม่คอยจะรู้เรื่องส่วนพุทธบริษัทนั้นคือนั่นแหละมีบุคคลสี่นั่นแนหะที่สามารถเข้าถึงเป็นบริษัทของพุทธเป็นหมู่สงสาวะกชสังโคซึ่ง มีบุคคลสี่บุคคลแปดมีบุคคลสี่ก็คือโสดาสกิทานาคารหันแยกไปเป็นแปนก็เป็นมักเป็นผลจากสี่ก็แยกเป็น8ดนั่นเป็นพุทธบริษัทมีการบรรลุธรรมเข้าถึงจริงมีการบรรลุธรรมเป็นโซดาเป็นตนต้องจะมัก เกิดผลตั้งแต่มรรคเกิดผลตั้งแต่ต้ตตนทางต้นทางแห่งมรรคเนี่ยคืออะไรต้นทางแห่งมรรคคือโล ก, กุตระเป็นโล ก, กุตระจุดที่หนึ่งโล ก, กุตระมีส6สหมีส6หลักษณะมีสูห ถ้ารวมเป็นบุคคลก็มีถ้ารวมเป็นฐานะก็มีเก้าโสดาปฏิมาโสดาปฏิพลไปถึงนิพพานโสดาปฏิมาปฏิพลไปถึงอรหัตผลก็เป็นแปดนิพพานอีกหนึ่งเป็นเกสมบูรณ์แบบเลยเป็นฐานะที่สูงสุดนั่นก็เป็นฐานะบุคคลเก้าทีนี้คุณสมบัติอีก ใช้การประพติแล้วก็ใช้หลักการของโพธิปักยธธรรมส7มสิบเดเป็นตัวอธิบายเป็นตัวยืนยันเป็นตัวบอกว่านี่เข้าสู่ความเป็นโลกุตระแล้วนะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งจุหนึ่งของโพธิปักยธธรรมจุดแรกนะหลักแรกนะคือสติปทานสี่ แล้วหนึ่งของสี่ก็คือกายในกายเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะรู้ว่าตนเองเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่โล ก, กุตระหรื อ, อยังฟังดีๆนะธรรมะนะเดินทางเข้ามาสู่โล ก, กุตระหรื อ, อยังก็ต้องรู้ความเป็นกายรู้ความเป็นกาย กายตั้งแต่มีกว่ากายนี่แปลว่าอะไรกายนี่แปลว่าองค์รวมรวมองค์รวมของรูปกำนามหรือองค์ประชุมก็ได้องค์ประกอบก็ได้สิ่งที่ร่วมกันอยู่กัของรูปกำนามนี่แหละทั้งการรวมสั้นๆไหมทุกอย่างมันมีนมแต่รูปกำนามในมหาจักรวาลนี่เหมือนกับทางโลกท้งฟิสิกส์เขก็บอกมีแต่พลังงานกับสสารสองอย่างเขาก็บอกว่างั้นมีแต่พลังงานกับสสารทางโลกวิทยาศาสตร์ทั้งโลก วิจาทางจิตของพระเจ้า ก, ก็บอกมีแต่รูปกับน้ำอามีแต่รูปกับนามเท่า น, นั้นแหละเพราะองค์รวมของรูปกับนามรูปกับนามนีสามารถที่จะเดียนรู้ผู้มีปัญญาเขารู้จักรูปรู้จักนามเหมือนกับัางฟิสิกส์เขาผู้ที่เดียนรู้ก็รู้สสารรูปพลังงานเรียนเงิ้ยก็กไปาทางสสารเขาเรียนไป ทางพลังงานก็ก็เรียนคน้นคว้ารู้ก็ไปให้ลึกให้ละเอียดาทางพุทธท่านก็เรียนเรียนรู้รูป ร, รู้นามเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งจิตทางวิญญาณทางนามธรรมลึกซึ้งก็ไปหาทางจิต เ, เป็นนางวิทยาศาสตร์ที่แท้ที่จริงไม่ควรจะเรียกวิทยาศาสตร์คนจะเรียกว่าวิชาศาสตร์ ทะเวิทยาศาสตร์นั่นมันก็เขาเอาไปเรียกแล้ววิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างไงนะทั้ทงเรียกทั้งโน้นทั้งโลกเขารู้กันทั่วถ้วนเนี่ยเช้เรียนกันแต่ของพระพุทธเจ้านี่ยมันแพร่หลายไปทั่วไปศาสนาอื่นก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ศึกษาด้วยไม่เอาด้วยศาน ส, สนาอื่นเขาศึกษาแต่ศาสนาของเขาเป็นติพึ่งเขาไม่เอาพุทธมาเป็นติพึงเขาก็ไม่ศึกษาแต่ชาวพุทธหรือ อาจจะมีบางคนศาสนาของศาสนาอื่นที่คิดกับจะศึกษาพุทธบ้างเขาก็มาศึกษาบา้างบางคนมีบารมีศึกษาได้นะรู้จนจะทั่งมาศรัทธาพุทธบางทีก็มาเปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธเลยบางคนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเป็นทางการแต่ว่าจิตมาแล้วจิตมาเป็นพุทธศรัทธาแบบพุทธมากกว่า ศา ส, สนิกบางคนทีนี้เริ่มต้นเราจะรู้จักโลกุตระจุดแรกคือกายในกายในสติปัฏฐานสี่เรื่องต้นเราจะรู้กายเนี่ยก็เรียนรู้จากปริยัติอย่างปตมา ก, กำลังอธิบายสู่ฟังเนี่ยขยายความบรรยายให้ฟังนี่คือปริยัติ คือรายละเอียดของภาษาคําพูดนิรุติปฏิพันธ์ขยายความให้ฟังต่อหมายความว่าอย่างไรอะไรยังไงไแล้วก็ฟังไปให้เข้าใจเลวะทิฏฐิเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจมีทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจมีความเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจได้แล้วเราก็ไปปฏิบัติเข้าใจสมาธิิิมีสมาธิสิบเป็นต้น รู้ว่าตะเพอว่าเราจะประพฤติการทานประพฤติศีลแล้วมันจะเกิดผลเป็นจิตแต่รับผลอะไรว่าสังเวทที่บูชาแล้วมีผลหุตังมันเป็นยังไงผลก็ทกําความเข้าใจทางปริยัติก่อนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราไปประพฤติจริงพระพุติทานก็ดีพระพุติศีลคือประพฤติธรรมวิธีประพฤติทานก็คือปฏิบัติ ง, ง่ายๆ ให้สละออกทานศีลก็ปฏิบัติเพื่อจะเอาออกเมื่อไงให้เมื่อไงเอาออกไม่ยึดไม่ติดไว้ทานก็ไม่ยึดไม่ติดไว้ปฏิบัติศีลก็ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดไม่ติดเนี่ยรวมหมดเลยตั้งแต่รูปกับนามไม่ติดแม้แต่ในนามไม่ติดทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เป็นน้ําหรือเป็นรูปก็ไม่ติดวัต ถ, ถุรูปต่างๆก็ไม่ติดเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องเรียนรู้ถึงความติดไม่ติดยึดไม่ยึดเรียกว่าอุปท า, านแล้วเรียกว่าอาทานอาทานยึดไว้ถือไว้อยู่คนไม่รู้ก็เรียกว่าอุปาทานคนที่จะเริ่มมาเรียนก็เรียกว่าสมาทานอ่าเราจะไม่ยึดไม่ติดอย่างนี้ในศีรษะคอ สมาทานสี่ห้าคอเราจะไม่ยึดแล้วในเรื่องของการที่จะมาทำลายทำลายทาลายสัตว์อื่นให้ตายไม่เอาเราจะไม่เอาแล้วที่จะมาของเขาวัตถุของเขาแล้วเราก็จะไปอยากได้ของเขาไปเอ า, าในทางเป็นฐานะแห่งขโมยเอาโดยที่ไม่ใช่ของเราขโมยมาที่เขามาอนุญาตเขาไม่ได้ ให้เราเลยในฐานะอันเป็นขโมยไม่ทำเอือราคาก็ลดลงการก็ลดลงการทางเพศทางรูปลดกินเสียงสัมผัสก็ตามไม่ได้ จ, จัดจานก็ลดลงพูดก็ไม่เอาแล้วปลดโกหกไม่เอาเมาก็ต้องดูแล้วว่าเราเมาอะไรในโลกีในอาบายไ อ, อ้นี่หยุดได้แล้วเรา เราจะรู้ของเราว่าถ้าจิตเรายังไปติดประย์ อ, อยางงี้อยู่จิตเราก็จะต้องสัมผัสสัมพันธ์แล้วแต่ต้องถูกต้องหรือว่าอยากได้มีเป็นเกี่ยวข้องกับเราขึ้นมาเมื่อไรเราก็เกิดรสเกิดรสสุขรสทุก เ, เกิดกิเลสปรุงแต่งขึ้นมาเลยเป็นรสสุขรดตัวไงกับตัวเองกระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายเข้าเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นมาเลยเกิดรด เกิสังขารธรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นสังขารผีเทวดาเกิดเป็นตัวตนของสัตว์นรกสัตว์เทวดาอะไรแล้วแต่เป็นผีนรกก็สัตว์อบายเป็นเทวดาก็อวิชาก็เป็นเทวดาเทพเป็นสมมุติเทพเป็นสัตว์เป็นเทวดาสุขสุขาิกะเป็นเทวดาที่เป็นทั้ทุกคน อภิชากันอยู่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เรียนเพราะนะั่งองค์ประชุมของความเป็นเทวดาก็ดีองค์ประชุมของความเป็นผีก็ดีเป็นองค์ประชุมเรียวกว่ากายกายของสัตว์นรกกายของสัตว์เทวดามันมีองค์ประชุมของนามารำที่ต่อเนื่องกับวัตถุนอกเหตุปัจจัยนอกที่ตากระทบรูปนะหูกระทบเสียงอะไรพวกนี้ต้องมีทั้ง ประสาทรูปกับโคจรรูปมันมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบกันก็เกิดปรุงแต่งขึ้นที่ใจใจนี่เป็นองค์รวมเป็นองค์กลางที่เกี่ยวข้องทั้งประสาทเกี่ยวข้องทั้งการเกิดการดำเนินชีวิตขึ้นมาเกิดสัมผัสเกี่ยวข้องพวกนี้จึงเรียกว่าโคจ ร, รหรือวิสัยวิสัยรูป วิสัยรูปหรือวิสัยยรูปหรือโคจรรูปคือมันมันเป็นอย่างนี้อยู่มันดำเนินการอยู่ยางนี้อยู่มันมีบทบาทมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่องค์รวมไปอย่างงี้ถ้าเกิดมีเหตุปัจจัยครบมีรูปมีนามวิญญาณเกิดรูปนามกระทบกันสิ่งที่ถูกรูปหรือวารูปตั้งแต่เป็นวัตถุรูปที่กระทบกันดินน้ำไฟลมแล้วเกิดขึ้นมาเป็นภาวะรูปเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เรา เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาหรือเป็นรู ป, ปรกายเมื่อกระทบรู้แล้วมันก็เกิดองค์ประชุมของรูปด้วยโดยมีนามเป็นตัวที่รู้ที่เห็นเมื่อพูดไดก้กําหนดรู้ขององค์ประชุมรูปนามที่ว่านี่นั่นแหละคือกายกายเนี่ยคำว่ากายเนี่ยมันมาเป็นภาษาไทยจนเพี้ยนไปจาก ประมต ธ, ธรรมเมื่อเมืองไทยในซวยตรงเนี้ยซวยตรงคําว่ากายเนี่ยมาหมายถึงร่างทางนอกไม่มีนามมารมเกี่ยวข้องถ้าบอกว่าร่างกายหรือ ก, กายก็คือดินน้ำไฟลมที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นร่างไม่มีความรู้สึกไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่เกี่ยวกับจิตปัญญาณไม่เกี่ยวกับความรู้ธาตุรู้ก็ไม่เกี่ยวข้องเลย นี่คำว่ากายในภาษาไทยมันเพี้ยนไปจนอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเพราะความรู้เพี้ยนขาดแคลนจากความเป็นจริงขาดจากความเป็นจริงไปมันมันมันเสื่อมถึงขนาดนั้นอาตมาต้องมาฟืน้นเพราะจะรู้โล ก, กุตตรธรรมจุดแรกต้องรู้กาย เขาบอกกายนอกตากระทบรูปอยู่เห็นเขา้าเห็นของอะไรอยู่หูกระทบเสียงอยู่และบอกว่ากายมันเป็นข้างนอกก็รู้กันเข้าใจกันได้แต่ไม่เข้าใจว่ามันไอ้นั่นก็คือกายขณะ น, น, นี้ตาเรากระทบพวกนี้อยู่เนี่ยไอ้นั่นก็มีส่วนร่วมมาคือกายรวมไปเลยอันนั้นคือรูปถ้าเราหมายเอาแค่นี้หมายเอาแค่ okay, นี้ รูปจำอนดึงก็เห็นแต่เราไม่ใส่ใจเรียกว่าไม่ใส่ใจอโยนิโสมนสิการก็ไม่ใส่ใจกันอะไถ้าแปลว่าไม่ใส่ใจก็นเลไม่เกี่ยวไม่ใส่ใจไปใส่ใจอันนี้โยนิโสมนัสิการกันเนี้ยจิตสนใจมุ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็รวมเป็นกายอันอื่นที่ไม่ได้ใส่ใจมันก็ไม่เป็นกายไม่ได้มาร่วมด้วยแต่นี่มันร่วมด้วยเกี่ยวข้องสัมพันธ์เรา เกี่ยวเออมันก็เป็นกายนับเป็นกายและต้องมีธาตุรู้นะกายเนี่ยกายนี่คือจิตงงสิไอ้กายมันคือจิตแต่ไงกับกายกับจิตจิตกับกายมันต้องแยกกันให้ได้มันก็มีส่วนแยกแต่จริงๆมันอันเดียวกันนะกายไม่มีจิตไม่ได้แต่ร่างเนี่ยไม่มีจิตได้รูปไม่มีไม่มีจิตได้เรียกว่ารู ป, ป ร, รูป ถ้ารูปกายต้องมีจิตถ้ารู ป, ป ร, รูปนี่รู ป, ป ร, รูปไม่มีนามไม่มีจิตไม่รู้ตัวมันเป็นรูปของมันจะโตเฉพาะพวกนี้แม้แต่ผีชะมันมีชีวะมีชีวิตก็ตามมันไม่เรียกว่ากายถ้ากายต้องมีนามของเราเข้าไปร่วมด้วยมีนามของเราโดยเฉพาะเรานี่แหละเป็นตัวที่จะรู้จะไม่รู้จะรับไม่รับจะขนาด ตามันกระทบแต่เราไม่สาคัญม่านหมายกับมันเราไม่รู้ไม่เห็นไปสนใจอื่นตามันเข้ากระทบกริที่หน้าเข้ากระทบม่านตานเข้ากระทบอยู่แสงกระทบมีอันนี้เข้าไปกระทบอยู่นะแต่เราไม่เอาใจใส่เราว่าอโยนิโสนะไม่สนใจไม่ไมเกี่ยวกับจิตของเราจิตของเราไม่ไปรับมันแสงตามฟิสิกส์ตามแสงสิอะไรมันเข้าไปอยู่กระทบอยู่ ม่านตาก็มีรูปนี่มีแสงก็ไปอยู่แต่เราไม่เอาประสาทเราไม่เอาประสาทรู้ประสาทรู้รับรู้เข้าไปรับรู้เข้าไปเกี่ยวกับมันมันกระทบตาเลยนะเนี่ยเส้นทางตรงนะแสงเนี่ยมันไม่โค้งนะแต่ที่จริงแสงเนี่ยเดินทางโคง้งเอาละไม่อธิบายออกนอกเรื่องมาก <c oughs> แสงในมหาจักรวาลนี่โค้งหมดแต่มัน คงไกลจนกระทั่งคุณไม่เห็นความโค้งจะเป็นตรงนะอาตมาก็เคยพูดแล้วอาตมาเห็นแสงโค้งจนกระทั่งเออทำไมเราเห็นรู้ได้ว่าแสงโค้งคงจะเป็นคนแรกในโลกอาตมาเคยคิดอย่างนั้นไปน้องเคยไปบอกน้องเคยไปพูดกับน้องเคยเปิยกับน้องเคยน้องเค ย, เอ ย, อเคยบอ ก, ก็ไม่บโบโถออสตาราเขคนพบก่อนแล้วเฮ้ยจริงเหรอ ล้าเคยก็บอกไอ์สไตน์เคยพบก่อนนะเลยบอกใช่มีหลักฐานพิสูจน์ด้วยมีหลักการพิสูจน์ด้วยว่ามันโค้งยังไงไปหาหลักฐานมาให้อ่านสิอาตมาไม่รู้จักไอสไตน์นะตอนนั้นอาตมาขนาดที่มียานเห็นว่าแสงนี่มันโค้งแล้วน ะ, ะยังนึกว่าตัวเองเอ คนว่าแสงมาเดินทางตรงมันไม่ตรงนะแสงมันเดินโคง้งไม่ตรงอนถ้าแสงเดินทางตรงคนจะไม่เห็นแสง <c oughs> ถ้าแสงเดินทางตรงคนจะไม่ได้รับคนจะรับไม่ได้แสงนี่มันเดินตรงไปมันก็เดินไปมันไม่มาหาเรา <c oughs> ให้มาหาเราหลอกแสงมันก็ไปมันมันจะมาหาเราก็มีแสงแนแนวระนาบเท่านั้นเองซึ่งก็ณเห็นน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีแต่ความโคง้งเป็นหลักนะมีแต่ความโค้งเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่จะเจอความตรงและทำความตรงได้อย่างจริงที่สุดจนกระตั้งที่สุดจิตนี่ละตรงที่สุดนั่นคืออรหันต์เท่านั้น อาราหันหมดความโคง้งแม้แต่กายกับจิตจิตก็ไม่โค้งแล้วแต่นอกนั้นยังงอๆขดๆอนาคา ม, มีก็ยังงองอยู่เลยถ้ายังไม่ใช่อาราหาันขึ้นไปเอาแวะไปออกไปมากขึ้นนั้นมากเข้ามาสู่จุดเก่าสุดที่กำลังอธิบายอยู่นะ มันผูดด้ใดสามารถที่จะรู้จากองค์ประชุมของรูปกับนามนนของกายกับจิตของเหตุปัจจัยสองอย่างพอสัมผัสอันนี้แลสัมผัสข้างนอกแล้วเข้าไปรู้ในข้างในเรียกว่ากายองค์ประชุมข้างในในการปฏิบัติธารมพระเจ้านี่ไม่ได้ละสายตาไปจากสิ่งภกที่เราเห็นอยู่ไม่ได้ละสายตาไม่ได้ละสายหูสายจมูกสายลิ้นสายอะไรแม่ละ่ะจะมีสติร่วมไปกับ ต, ต่างๆพวกนี้ให้ทันใส่ใจอะไรเราก็จะร่วมรับรู้ตาม น, นั้นแล้ววิเคราะห์วิจัยหมดเรียกวองค์ประชุมกายวิเคราะห์วิจัยประชุมแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยมีสติสัพชัญญะเรียนรู้กำหนดรู้ตามแล้วก็วิเคราะห์วิจัยตามให้รู้ว่าในองประชุมที่มันเกิดนั้นคือสังขารสังขารเหล่านี้เป็นกายะสังขาร เข้าไปในจิตก็เรียกว่าจิตสังขารแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เออจิตมันร่วมรับรู้เนี่ยปุ๊บก็ไปมันกระปรุงปุ๊บก็ไปเมื่อเป็นตักกะตัวแรกนะถ้าพอเราได้นึกถึงสังกัปปะเจ็ดตักกะตัวที่ออกมาตัวแรกในกลุ่มที่มันรวมกันไปรับรู้เป็นกายในกายเนี่ยคือจิตนะี่กายในกายจากกายนอก จากสัมผัสเหตุปัจจัยนอกเข้ามารวมกันไปให้รู้เป็นกลุ่มนี้แล้วและเราก็วิเคราะห์วิจัยตัวนี้ถ้าไม่วิเคราะห์วิจัยมันเราก็ไม่รู้ว่าสังขารอันนี้เนี่ยตักกะนี่แหละมันเป็นตัวรวมตัวกันเข้ามามีเหตุและมีผลมีรูปและมีนามมันมีอะไรเข้าไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกข์ให้สุข เราเรเวทนาร้อยแปดมัเราเรียนมโนปวิจารณ์สบปดมันปรุงแต่งกันเป็นมโนปวิจารณ์สบปด้วยอวิชชาแบบโลกโลกคนโลกโลกโอ้มันปรุงแต่งกันมาเป็นรูปนี้มีกิเลส ร, ร่วมด้วยโอวิกรรมเช่นลราพบโอ้โหฟักข้าวสีดีจังโอ้โหน่า สวยน่ากินไอ้อะไรนะแก้วมังกรเ น, นี่ยสวยจังลูกใหญ่ทุ่มหน้าดูสีสันสดใสไม่มองไม่มนเลยโอ้โหสัมผัสแล้วใจเราปรุงมีกามอยากได้อยากกินอยากเอานะอยากได้อยากกินอยากเอาขึ้นมานั่นแหละมันรวมปรุ่มวิสุท ก, กะ เราก็เรียนรู้แล้วก็หัดวิจัยอ่านสติมีธรรมวิจัยมีสติรู้แล้วก็มีธรรมวิจัยทําวิจัยสัมปจงพยายามหรือภาคเพียรวิริยะสัมปช o n พยายามวิจัยตามที่เราได้ศึกษามาเพื่อที่จะค้นหาว่าไออยากได้อยากเป็นอยากมีตัวนี้แหละคือตัวกิเลสกามแล้วก็อย่าไปอยากอย่าให้มันมีอาการนี้ ก็จัดการซะเมื่อเราจัดการกําจัดสมมุติลัดรัดไปเลยว่ากําจัดได้ในสังกปะเจตเพราะกำจัดได้มันก็เป็นวิตักระเป็นต ก, กะสะอาดเป็นจิตที่ได้ไตรตรองแล้วสะอาดเป็นวิต ก, กะได้กระจัดกิเลสออกแล้วกายองประชุมที่เหลือ องประชุมที่เหลือก็เป็นสังขารสังขารก็คือกายนั่นแหละกายยสังขารเป็นองประชุมของสังขารการปรุงแต่งที่เราได้จัดการกับมันจริงๆนี่มันเป็นลักษณะของจิตเราเลยว่าจิตสังขารด้วยฟังนี้ทนี้มันมาซ้อนเข้าไปหมดเลยกายสังขารก็ซ้อนอยู่ในจิตสังขารพอเราล้างกิเลสได้มันก็เตรียมตัวออกมาเป็นสังขารตัวที่เจ็ด ตักกะวิต ก, กะสังกปะเป็นความนึกคิด่งความนึกคิดที่ไม่มีกามแล้วนะความนึกคิดที่เอากำจัดกามออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วแล้วมันก็มาผ่านอัปนาพยาปน า, ปปนาเจตโสปิโรปนาซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของกองกากับการใหญ่ตรวจสอบจะส่งเสริมหรือจะ ตรวจสอบก่อนด่านสุดท้ายที่เป็นพลังหลักของชีวิตเป็นแกนจิตเป็นแกนจิตถ้าเป็นตัวไม่รู้มันขอรับชั่นเพิ่มเลยเป็นคนตรวจเป็นคนตรวจคนเข้าคนออกเมืองเขาเรียกอะไรนะพวกตอมอนะพวกตอมอเลยเนี่ย อปปนาพยปนาเจสโทเพโรปรนาเนี่ยเป็นตัวตอมอเลยตรวจเข้าตรวจออกเลยเข้าก็ตรวจออกก็ตรวจถ้ามีของผิดถ้ามีกิเลสเสษกิเลสถ้าตอมอแข็งแรงตรวจจริงมีปัญญามีญาณมีรายละเอียดละอตรวจหาเจอและซื่อสัตว์ด้วยจัดการเลยอีกแรงหนึ่ง ไม่เหนเหลือก่จะออกมาเป็นวัจจีสังขารแต่ถ้าตัวนี้ยอดขอลับชั้นเลยเสร็จตอนมอเป็นยอดคอลับชั้นเลยเสร็จเพราะงั้ผ่านด่านนี้แล้วเสร็จแล้วตรวจสอบอีกจึงไปเป็นวัจจีสังขารเป็นองค์ประชุมของความนึกคิดที่เป็นภาษาแล้วเ ร, รียกวัจจีสังขาร เป็นลักษณะจริงองมันลักษณะหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษามันก็สือเป็นภาษาได้ไม่เป็นภาษามันก็เป็นลักษณะสัจจะอันนึงเป็นปรมาทิตย์สัจจะเป็นปรมาทธรรมชนิดหนึ่งที่จะเป็นพลังงานที่จะออกไปเป็นวจีกรรมเป็นกรรมมันตะเป็นอาชีวะต่อไปเพราะคาว่าองค์ประชุมต่างๆจึงคืนหน่วยของการปรุงแต่งทั้งหมด พเพิ่มต้นรู้กายในกายจับสักกายะกายของตนที่เป็นรูปกํามนามโดยเป็นจิตเจตสิกถูกรู้โดยเราเองเอโกตัวเราเองโดยตนเองกระทำเรียนรู้สัมผัสปั๊บอ่านรู้รู้ตัวจิตได้รู้จักอง์รวมของจิตได้เป็นสักกายองค์รวมและคุณก็มดชัดเจนว่านี่แหละตัวนี้แหละคือ ต, ต, ตัวปรมัา ต, ตัวจิตเจตสิกที่จะเรียนรู้ ถูกรู้โดยเราเรียกว่ารูปเป็นนามมารูปเป็นนามมารูปในจิตแล้วรู้แล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยมันหรือเรียกว่าตามศัพท์ของฌานก็นเลยว่าวิตกวิจารวิตกวิจารณ์วิตกก็คือที่อาตมาอธิบายไปแล้ววิจารณก็คือตัวประพฤติความประพฤติมโนปวิจารเป็นต้นมโนปวิจารณ์คือตัวจิตนี่แหละที่มัน รวมตัวกันสังเคราะห์กันสังคาญกันอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแบบโลกกมโนปวิจาร์ที่มันเป็นเคหสิตะตอนนี้เรารู้แล้วแม้แต่ตอนเริ่มรู้เคหสิตะก็ตามเป็นสักกายะเป็นองค์ประชุมของตอนเองสักกะแปลว่าตัวเองเต็ม่าตัวเรามันรู้แล้วอาการนี้ลักษณะนี้สภาวะอันนี้ เริ่มรู้จนกระทั่งชัดเจนพ้นวิจิกิจชาสังโยชน์ในพ้วิชาพ้นสังโยชน์หนึ่งละพ้นสังโยชน์สองละแล้วมีหลักปฏิบัติได้วิสีรพรดสังโยชน์สเราก็ปฏิบัติลดกิเลสได้จริงแต่ลดกิเลสไม่ได้จริงก็ไม่พ้นสังโยชน์สาก็ไม่ได้ผลไม่ได้เป็นโสดาปฏิพนมีแต่โซดาปฏิมัก ค, คือรู้ประมาทแล้วเริ่มโรภุตระ จุดหนึ่งของสังโยชน์เห็นกายในกายพ้นวิจิกิจฉาของกายแต่ยังทำกายที่มีผีร่วมด้วยยังไม่พ้นเลยเมื่อนี้ยังมีองค์ประชมของผีอยู่ผียังอยู่เต็มเลยเดิมเดิมยังเดิมเลยอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นสิริปตประมาศยังยังไม่ถึงขั้นเป็นโซดาผลถ้าทำให้ลดจางคลายลงได้ เริ่มต้นเห็นว่ามันไม่เที่ยงอา น, นิจานุปัสสี <c oughs> ก็เริ่มต้นมียานปัญญาอธิปัญญาสิกขาเริ่มรู้นิดหน่อยเออมันไม่เที่ยงนาะนี่เรายึดความไม่เที่ยงนันเนี่ยนี่อยากได้อันนี้เนี่ะโถดแล้วมันก็อยากได้ได้มาคุณก็มาถูกสุกลอกไม่ได้คุณก็โกรธโฮ้ไอ้โง่ ผู้หญิงก็เรียกเองเรียกอะไรชายอาตมาเรียกมันว่าไอโง่ผู้หญิงก็เรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเหมือนที่เขาเรียกคนชื่อปูกับใหวากันมันโงจริงๆแล้วก็ยืดไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยในพัตติปิฎกจะบอกว่าในเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามภิกษุไม่เที่ยงแด้ไปยืดเอาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ต่อเป็นสูตรอยู่ในปัจจัยดงเยอะเลยไปอ่านดูสิยึดความไม่เที่ยงไปสู่ทุกบรทุกภิกษุทั้งหลายเป็นทุกและบรรลุภิกษุทั้งหลายท่านบรรลุแต่คนทุกวันนี้แม้แต่ภิกษุทุกวันนี้เนี่ยทะลุอ่านรู้ไปหมดทะลุไม่เคยบรรลุไม่เคยกระตืออะไรไม่เข้าใจนี เพราะความเป็นกายที่อาตมา ก, กําลังอธิบายเนี่ยมันจึงเลื่อนฐานะจากรู้กายในกายมารู้เป็นวิจาระมโนปวิจารในเวทนาก็เป็นกายมโนปวิจารของเคหะสิตะพอทําให้กิเลสมันลดลงเป็นเนคขมะเป็นมโนปวิจารเป็นวิจาระก้อนของวิต ก, กะหรือวิตตก มันมาเป็นวิจาระที่เป็นเนคขมะวิจาระเป็นมโนปวิจารวิจาระตัวนี้แหละคุณก็รู้ว่าผ่านอย่างน้อยโสดาบัณอย่างน้อยผ่านศีลพรตที่เป็นปรม า, ปามาตยอยู่รูปๆคำๆจับๆต้องต้องอยู่แต่ว่าคุณไม่ทําอะไรให้กับมันมณสิการคุณไม่ทําใจในใจคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เลยคุณไม่สามารถทําให้กิเลสลดได้พอคุณสามารถทําให้กิเลสลดได้ แม่คุณจะวิคัมปณะประหารลดลงคุก็รู้ว่าเออกดข่มมันมันไม่มีกายเต็มมันไม่แสดงบทบาทเต็มมันลดบทบาทลีลาลงมาอ่อนลงมาเนาะมันกิเลสนี่รือว่าไอ้บทบาทพฤติกรรมของมันเนี่ยมันไม่มีบทบาทที่พร้อมกับกิเลสเต็มๆลดบทบาทมันไว้จะโลภก็ไม่แสดงโลภเต็มที่จะโกรธก็ไม่โกรธเต็มที่ดีไม่ดีก็ไม่ให้มัน โกรธเลยไม่บรโลุเลยช่วคาวข่มมันไว้คุณก็รู้แล้วว่าคุณลดมันแต่วิธีข่มมันไม่ถาวรเป็นอุปการะช่วยได้มันไม่ทำให้สัตว์นรกสัตว์ผีอะไรพวก น, นี้เกิดแต่ถ้าคุณสามารถรู้จักวิปัสนาวิธีรู้จะกำลังเห็นมันไม่เที่ยง มันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นตัวพาทุกข์จริงๆเป็นภาระเป็นเรื่องที่ไม่รู้แล้วเป็นหลงสุขหลอกๆแล้วก็เป็นอัตตาอยู่ในตัวเราถ้าเราเข้าใจแล้วว่าปถุยไม่ต้องสุกต้องทุกข์อธิบายลัดเลยนะีมันเกิดปัญญาชัดเลยว่าปถุยยึดอยู่มื่อก็ทุกข์ยึดอยู่ไม่ก็ไม่หมดทุกข์หมดสุขหรอก พราะเรามีปัญญาชัดเลยโอ้อย่าไปยึดแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขกับทุกข์ก็มาสุขคุณมีพลังของปัญญามันมากพอเป็นสมบพัญญาหรือเป็นพลังที่แรงพอเป็นฌานเป็นไฟฌานที่สลายกิเลส ต, ตัวนี้ได้จริงด้วยปัญญานอะไม่ใชกดข่มมันก็ไม่มีอาการหรือมันก็ค่อยลดไปเวลาคะาําไปจนกระทั่งมันน่โรธ ก็เห็นมันค่อยๆลดจนกระทั่งมันดับจนเห็นอาการดับก็จิตไม่มีอาการเลยรู้สภาวะไม่มีอาการของสภาวะนั้นไม่มีอาการจริงๆเลยและรู้จักอาการในความเป็นชีวะขเข้ามาเนื่อว่าชีวิตรูปหรือชีวิตอินซีไม่มีอินรีไม่มีพระในตัวชีวิตของสัตว์นรกสัตว์เทวดานะสัตว์นรกนั่นแหะเป็นตัวตั้ง พอได้สมใจมันถึงจะเป็นสัตว์เทวดาเทวดาเกเทวดาสุขลิกะพอทำไม่ลดได้มักายตัวที่มันเกี่ยวข้องปรุงแต่งกับตัวเป็นอาการหรือเป็นสภาวะของสัตว์นรกเป็นนามธรรมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นจิตสะอาดเป็นจิตเทวดาสะอาด ไม่ใช่สัตจิตเทวดาที่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเทวดาอร่อยเทวดาเป็นสุขเทวดาสมใจต่างๆนาน า, นาไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาสมมติแต่เป็นเทวดาอุบัติทําให้มันจางคลายอุบัติถ้าทําให้มันสะอาดได้ชั่วคราวก็ตามเป็นวิสุสทธิเทพวิสุทธิเทวดานี่คือลักษณะของประมาภิี่ลึกซึงก็คราว เพรฉะนั้นเวลาปฏิบัติกายในกายเราก็ 6, 8, รู้จักองประชุมแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนามันมีเวทนาในนั้นมีมโนโปวิจารอย่างที่ว่าหรือมีเวทนาที่ร้อยแปดแล้วก็รู้จิตในจิตจิตในจิตก็มีเจตตัวปรุรยานสิบหตั้งแต่ตัวราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลแล้วก็ทําให้มันลดไ ด, ไดาา้วีตราคะวีตโทสะวีตโมหะทําให้ลดได้ลดได้ลดได้ไปเป็นลําดับ แต่แต่สังคิตังจิตตังวิกิตังจิตตังจนเป็นมหาคติจนเป็นสุตระจนเป็นอนุตรจนเป็นสมาหิตังจนเป็นวิมุตตินี่ขอรวบไปเลยอาตมาถือว่าพวกคุณมีพื้นฐานแล้วไหลเจโตปริญาณสิบหไปจนกระทั่งถึงวิมุตต์ตัวที่สิบหสุดท้ายเลยไม่ใช่อวิมุตต์ไม่มีเศษของวิมุตต์เลยคุณก็รู้จิตในจิต เวทนาในเวทนาการทำจนครบเวทนาร้อยแเลยอย่างเที่ยงแท้อย่างสะอาดทาวรสังสมเป็นอดีตเป็นอนาคตศูนย์เป็นส่วนอดีตส่วนอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นศูนย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพิสูจน์ทุกปัจจุบันแล้วอดีตกับอนาคตไม่มีเพราะมันศูนย์หมดแล้วอดีตก็ศูนยน์อนาคตก็ศูนย์ ไม่มีสิทธิ์เกิดอีกแล้วสัตว์นรกตัวนี้เนี่ยขาดเด็ดขาดคุณจะเห็นกายคุณจะเห็นจิตกายตัวนี้ไม่มีอาการเป็นสัตว์นรกร่วมด้วยมีแต่จิตพองแผ้วสะอาดวิสุทธิอยู่จริงๆเลยเห็นของจริงเลยนี่เป็นตาทิพเป็นตาทิพนะ ก็จะมีกายใหม่เขาเรียกว่าสำโพกกายมั่งเรียกว่านิรมานกายมั่งเรียกว่าทิศสมานกายมั่งวันนี้เนี่ยเทศอภิธรรมลึกมากนะสำโพกกายก็คือมีองค์ประชุมของดินน้ำไฟลมรูปนามองค์ประชุมของ ตาหูจมูกริ้นกายเหมือนกันกับคนอื่นนี่แหละสัมโพกคือบริโภคบริโภคอยู่ร่วมกันอย่างจิตสงบอย่างที่มีสัมมาสัมมาทุกอย่างเลยเป็นสมณะแล้วเป็นผู้สงบแล้วกิเลสไม่มีแล้วกินใช้หรือว่าปฏิบัติประพฤติร่วมกันอยู่กับทุกคนไม่มีบาปไม่มีกิเลสร่วมสัมโพกกายเป็นองค์ประชุมที่มันกินใช้ร่วมกันแต่ไม่มีกิเลสเป็นนิรมาณกาย เป็นกายที่เราได้สร้างขึ้นนิรมาหรือนิรมิตนี่แปลว่าสร้างแปลว่าทำขึ้นมาเรานี่แหละทำให้มันได้เป็นเป็นองค์ประชุมแบบนี้เป็นกายแบบนี้หรือเป็นกายที่อธิสมานกายเป็นกายที่ไม่มีใครมองเห็นอธิสมานกายแต่องค์ประชุมของาธาตุรูปนามที่ไม่มีใครมองเพราะว่ารูปนามของ ปรมัตจริงๆมึงก็ไม่มีมองเห็นแล้วจิตเจตสิกไม่มีใครมองเห็นมอเห็นแต่รูปร่างนี่แหละไอ้กายร่างร่างเนี่ยเห็นสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมันไม่มีสัตว์ไม่มีความเป็นกายของสัตว์อยู่เลยมีแต่จิตสะอาดจึงไม่เห็นความเป็นสัตว์อยู่ในกายนั่นแล้วมดความเป็นสัตว์พลสังโยชน์ พ้นสังโยชน์แล้วไม่มีความเป็นสัตว์ที่ถูกผูกไว้ตั้งแต่สัตว์หยาบจนถึงสัตว์ละเอียดขันไหนก็ไม่มีขัานอากินจัญญายตนะก็ไม่มีคันเนวสัญญานาสัญญาก็พ้นความไม่รู้อันนี้แล้วพ้นอวิชชาข้อนี้แล้วนะที่จริงมันยังเป็นสัตว์จริงๆอยู่เนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์แม้ตัวนี้ที่จะลึกเรื่องนี้จะอธิบายเนี่ย ลึกมากเลยลึกเป็นอรหัตผลอรหั ต, ตมักสุดท้ายอรหั ต, ตมักสุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์เลยนะที่ตัวที่จะพูดเนี่ยคือตัวที่เป็นเนวสัญญาณสัญญาญตนะสัตเป็นสัตตัวสุดท้ายของสัตวะกาในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดไม่มีไม่มี ความเป็นสัตว์ตัวนี้เพราะวิญญาณทิตินี่เป็นตัวที่วิญญาณตั้งอยู่ครบตาหูจมูกดินกายสัมผัสตาข้างนอกหูก็อะไ ร, รับรู้หมดเพราะฉะนั้นข้างนอกมันไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวข้างในที่เหลือตัวตัวสุดท้ายคือตัวอวิชานุสัยหรืออวิชชาสังโยชน์ของตัวเรียกว่าผู้ที่ถึงขั้นอรหัตตมรัก ด้วยอรหัตผลท่านั้นเองสูงกอนาคามีหมดเลยเป็นอรหัตมักตัวสุดท้ายด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตยพระรัศัต์ตัวนี้จึงไม่ต้องไปปฏิบัติในขณะที่มีวิญญาณข้างนอกเกิดในสัญญาของเราเองนี่เราเรียนรู้ตัวปลายตัวนี้ให้ได้หรือแม้จะเกิดจะมีตากระทบรูปอยู่ก็ตาม มีกระทบเสียงอยู่ก็ตามมีวิญญาณทิติอยู่ก็ตามแม่ไม่มีวิญญาณทิติแต่มีจิตที่เหลืออยู่ของคุณนั่นแหละคุณก็ต้องรู้จิตตัวนี้ให้ได้วิญญาณตัวนี้ได้ธาตุที่เหลือความเป็นสัตว์ตัวนี้ให้ได้ว่ามันยังไม่พ้นอวิชชาสุดท้ายอาวิชานุสัยเรืออวิชชาสังโยชน์ต้องรู้ให้ครบถ้าคุณรู้จากสัตว์ตัวนี้ครบแล้วคุณก็พ้นสัตวว่ตัวที่เก้า พลสัตวะตัวทิกาได้จบเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธนิโรธได้โดยสัญญาเขาเคลียอารมณ์เวทยิตตังนะสัญญาเวทยิตตังนิโรธทางโหติก็เกิดสมบูรณ์แบบนะอย่างนี้เป็นตนเมื่อรู้กายตัวสุดท้ายเป็นถึงขั้น นิรมาณกายสัมโพกกายหรืออทิตสมานกายสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นกายที่โอ้โหต้องเป็นอริยะจริงๆที่จะรู้ตัวจริงของสัมโพกกายนิรมาณกายหรืออทิสมานกายองค์ประชุมของรูปนามสุดท้ายที่เป็นอารูปแล้วอรูปลึกซึ้งมากเลยนะ เนีตามาอธิบายคําว่ากายไปเยอะไม่ตั้งถึงที่สุดในที่สุดเป็นกายบริสุทธิ์สูงสุดเลยเป็นกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดองค์ประชุมของรูปนามของอรูปปภรมเป็นรูปนามของอรูปพภรมบริบูรณ์บริสุทธิ์สุดเลยซึ่งไม่มีภาษาจะพูดแล้วไม่มีภาษาจะอธิบายแล้วขยายความไม่ได้แล้ว นัตถิอุปมาจะเปรียบจะเทียบกับอะไรก็ไม่ได้แล้วสูงสุดอย่างต้นนะเอาทีนี้มาถึงต้นกายแรกที่เรียกว่ารู้จักกายในกายของโพธิปักเกียตธรรมข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มารู้เวทนาในเวทนาเข้าใจวิเคราะห์วิจัยเวทนาร้อยแปดออกมารู้จิตในจิตวิจัยจิตในจิตเจโตปริญาบหออก คุณก็เป็นโลกุตระเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจากโลกุตระจากกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสิ่งที่ทรงไว้ที่อาตมาอธิบายไปหมดแล้วเป็นสรงไว้ซึ่งความสุขสูงสุดไม่ใช่ความสุขกจะสุขก็ได้เรียกสุขก็ได้นะเป็นตัวที่ได้ทำให้สะอาดบริสุทธิ์สูงสุดแล้วเป็นสรงไว้ธรรมะสงไว้ซึ่งเป็นฐานของพระอรหันต์ ฐานของอรหรันตอรหัตตาเป็นอัตตาของพระอรหันตอยู่แล้วคุณก็สามารถเป็นโลกุตระถ้าเพิรารู้สุดก็จบเลยไม่แค่นั้นนะ่ะแต่ถ้าขยายออกไปอีกก็ซ้อนเป็นสา่ามุนรอบจนซ้อนสมปทานสีอุ ป, อ ป, อปอธิบาตสีซึ่งจะเป็นตัวพฤติกรรมปฏิบัติร่วมมีพลังงานมีสภาวะร่วมอิทธิบารฉันตะวิริยะจิตตะวิมังสา ก็มีสภาวะของจิตที่เรารู้ร่วมเรามีฉันทะไหมเรามีวิริยะไหมเรามีจิตตะไหมเรามีวิมังสาไหมเมื่อปรุงกันแล้วเมื่อสังเคราะห์กันแล้วสังขารกันแล้วมันมีอินทรีย์ห้ามันมีศรัทธาไหมมันมีมันมีวิริยะไหมมันมีสติไหมมีสมาธิไหมมีอุเบกขาไม่ใช่มีปัญญาไหมคุณก็รู้สภาวะของพลังงานพวกนี้ทั้งหมดเลยจนกระตั้งเป็นพละห้า สตธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิภาพละอุเบกขาปัญญาปัญญาภาพละอะไรงี้เป็นต้นคุณก็รู้สภาพทุกอย่างพวกนี้และเดินอยู่ในร่องในรอยของโพชฌงเจตในร่องในรอยของมรรคองแปดทั้งหมดเลยภาษาสติสัมโพชฌงธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยสัมโพชฌงมีไหมที่ีคุณได้ทํา ซึ่งเป็นพยัญชนะภาษาแต่มีสภาวะที่คุณได้ใช้ได้มีได้ร่วมจึง่อได้ว่ากายทั้งหมดเลยหรือเรียกว่ามันมีคุณประโยชน์มันมีอานิสงส์มันมีผลเป็นผลจริงๆเลยเป็นผลสําเร็จด้วยคุณก็เป็นโลกุตระไปทุกหน่วยของโพธิปักเกทโพธิปักเกทํสามสบเจ็ดที่เป็นโลกุตระสาเจ็ด ซึ่เกิดอิมเพกของโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเป็นอิมเพกของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเป็นผลอิมเพกเป็นผลของการสังเคราะห์สังคารขึ้นไปสู่ตัวนั้นซึ่งเราจะรู้จะเข้าใจความเป็นองค์ประชุมของความสําเร็จองค์ประชุมของความยังไม่สําเร็จสําเร็จใน่วัตสิบุคคลองค์งประชุมของปุถุชน ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยปฏิบัติอะไรยังไม่เป็นยังไม่รู้อะไรเลยอวิชชาเรียกว่าปุถุชนองค์ประชุมของเสขบุคคลเรามีการศึกษาสามของปุจจาระเริ่มมีศีลเริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญาเริ่มรู้แล้วว่าตัวนี้ส ก, กายะตัวนี้เป็นอะไระอะไรต่างๆนะที่อธิบายเขาคล้าไปโพธิปักเกียรตธรรมาเป็นตน้นโอเข้าใจ เราก็เป็นผู้มีดวงตามีญาณมีความรู้ความเห็นอ่านสิ่งเหล่านี้ออกทั้งหมดรู้ความจริงทั้งหมดซึ่งจริงๆ ร, รวมแล้วเป็นความคิดทั้งนั้นเลยความนึกคิดทั้งนั้นเลยที่มีนึกคิดมีเหตุปัจจัยมีสภาวะปรากฏมีสัจจภาวะมีภาวะที่ปรากฏจริงทั้งรูปเละ่นาม ทั้งข้างนอกและข้างในมีทั้งวัตถุและจิตรวมสังเคราะห์สังขารกันอยู่แล้วเราก็วิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์สัง ข, งขารแล้วก็จัดการจนกระทั่งจิตเราเนี่ยสะอาดหมดจดไปเลยรวมแล้วสุดท้ายก็เป็นความคิดสมบูรณ์เป็นสังกัปปะสมบูรณ์จะเรียกตักกะสมบูรณ์ก็ได้จะเรียกสังกัปปะสมบูรณ์ก็ได้ เป็นองค์แห่งความคิดความรู้สมบูรณ์หรือจะยืดออกไปเป็นทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้เป็นทิฏฐิ ด, ดีเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นความรู้ความเห็นก็ได้สมบูรณ์มันรู้ละเอียดละออหมดเหตุปัจจัยความหมายความรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็เป็นตัวความนึกคิดเป็นตัว ที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นความนึกคิดเราจะพักความนึกคิดก็ได้จะปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้ปรุงแต่งขึ้นมาจะอนุโลมอนุโลมเจตนาเลยมันมีมโนสังเจตนามีเจตนาเอออันนี้เดียวเราจะทำมันนี้ให้คนนี้ให้เขารับได้ นะจะทำกาแฟให้เขากินหน่อยแต่คนนี้ถ้าไม่ยกล้อเขาไม่กินนะ่ะต้องยกล้อให้เขาหน่อยภาษาสมัยนี้รู้ไหมกาแฟยกล้อเป็นยังไงใส่นมสดเพิ่มนมสดเดียวว่ายกล้อ ถาชงกาแฟใส่นมข้นเฉยๆใส่น้าตาลใส่นมข้นกาแฟนี่ยเขาเลยเรียกกาแฟธรรมดาไม่ยกรอ้อยกล้อไหมยกล้อก็เติมนมสดให้อีกหน่อยสมัยนี้มันไม่ค่อยจะใช่แต่สมัยโบราณเนี่ยอ่ะกาแฟยกล้อเขาชงมาเสร็จแล้ว ก, ก็เติมนมสดมันต้องเสียตังค์นี่ไอคนเจ้าของที่จะถ้าไม่พูดมันก็ไม่รู้แต่ไอคนที่ติดบอกเฮ้ i, ยกล้อนะเวย้ยใส่มาแล้วแต่มันจะใส่ให้มากให้หน้อยนมสดถ้า แม่เรียกว่าขาประจำรู้กันดีๆกันยกล้อให้ทัีงเยอะหน่อยถ้าขาไม่ประจํำก็ยกล้อให้น้อยเดียวยกล้อเดียวไม่ยกสี่ล้อนี่ภาษาสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะมีแล้วยกล้อหรือต้มยํำงี้เป็นต้นอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้มยํำไหมอะต้มยําเอาตะเกียบไหมอะได้แสบส้อยใส <c oughs> ไม่รู้จักตะเกียบ คนขายก๋วยเตี๋วก็ถามถามลาวเอาตะเกียบบอเออเอาได้แสบซอยใสให้ซอยตะเกียบใส่เลยมันไม่รู้จักตะเกียบคืออะไร <c oughs> นิยายโบราณนิยายเก่าๆเยอะ ใครเคยได้ยินบ้างนี้รานิยายอธิษฐานสร้อยใส่เนี่ยใครเคยได้ยินบ้างยกมือดิโ อ, อ้มีคนเคยได้ยินบ้างน้อยเนาะบางคนก็ไม่เคยได้ยินเยอะเยอะเยะมันบวท่นหัวจักตะเกียบไปกินตุกเตีย้ยวมีจะ่ยางเก่งกระใส่สอนว่าสังก็จับหกห ก, หกเลย นี่ให้ตะเกียบไปด้วยก็ถามมันกินเป็นหรือเปล่าเอามันจะใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่านเจ้าของขายก็เตี๋ยวมันก็ต้องถามให้ไปแล้วมันก็ใช้ไม่เป็นหมดตะเกียบมันยังไม่เคยรั่วเอาไปมันึงถ้าให้ไอ้คนที่คนที่บอกว่าอะไรแสบซรอยใส่เนี่ยมันใช้ไม่เป็นแน่นอนเลยให้ไปมันก็ใช้ไม่เป็นหรอกก็ไม่ต้องห้มันะถ้ามันตอบว่าอะไรแสบซ้อยใส่ไม่ต้องให้มันมันทําตะเกียบเราหลนแน่นอน เปื่อนในนอนมันไม่ได้เรื่องหรอกมันใช่ไม่เป็นมันยังไม่รู้จักตะเกียบเลยถ้าเอาไปเด้เฮ้ยเอามาเห็ดยังเลยเนี่ยซองใหม่เนี่ยซองใหม่แล้วไม่ยังก็คำว่าตะเกียบโบสถ้อยนี่ซ้อยแล้วนี่เลาดีแล้วแต่บสซ้อยซ้อยมันกับบุญเท่านั้นไงใส่โบสถ์ได้เท่านั้นที่ตะเกียบซร้อย เพราะฉะนถ้าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเรารู้เราจะอนุโลมปฏิโลมเออเราจะทําก๋วยเตี๋ยวให้คนนี้กินเราก็เลยเอาคนนี้มันติดเผ็ดใส่พริกให้มันหน่อยแต่เราไม่ได้เป็นร่วมร่วมสุร่วมทุกข์กับเขาหรอกนะนี่คือสัจจานุโลมมิกฉาญาณของพระอริยะที่ท่านจะปรุงแต่งรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัญอย่อาตมาทุกวันนี้นี่เป็นนักปรุงแต่งเป็นเชฟมือหนึ่งของโลกปรุงแต่งใส่โอสถทิพเสมอ คุณไม่รู้ตัวรออาตมาแท็กโอสถทิพตไปเรื่อยๆโดนวางยาโดนวางยาเรื่อยๆนี่ ล, ละนักวางยามือหนึ่งนักวิสัญญีมือหนึ่งเสร็จแล้วพากคุณก็สลบผ่าตัดนักวิสัญญีมือหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แทรกยาทิพตก็คุ้มคน และพยายามจะช่วยคนอื่นเข้าทำความสะอาดทำความบริสุทธิ์สะอาดทำความพ้นทุกพ้นโรคทำความเป็นสิ่งที่ประเสริฐสะอาดบริสุทธิ์ดีๆให้นะเพราะเราจะอนุโลมแล้วก็เรารู้เรายัางอาตมาเนี่รู้ใครจะว่าเออมันไม่เหมาะไม่สมก็รู้มันมากไปก็รู้ก็เราจะทำขนาดนี้ถ้ามันเข็ต้องควรว่ามันมีประโยชน์ ถ้าไปทำขนาดนี้มันไม่กินน่ะมันกินไม่ลงเพราะมันติดถ้าไม่มีนี่มันกินไม่ลงกาแฟไม่ยกล้อมันก็ไม่กินอ่ายังมีหมาตัวหนึ่งอัตมาให้หองภาพสุวรรณก็ไปเลี้ยงชื่อไอ้โทนตอนนั้นสร้างหนังโทนอยู่แล้วไม่หมามันไปดันไปคลอดอยู่ที่ไปหลังบ้านแล้วไอ้ลูกมันก็แม่มันตายโอ ไอ้เราก็ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เราก็เลยไปให้ฮองบับสุวรรณมาตัวเมียไม่ชื่อไอ้โทนเพราะมันกําลังสร้างนังโทนก็นเรียกมาไอ้โทนมาตัวเมียตอนหลังเขก็ไปทํามันให้มันทํามันให้มันมาตัวนี้ถูกทํามันไอ้โทนมาตัวเมียจากเด้บ่งหูอ่า เขาก็ไปทําอาเธอะไปต่อบมาตัวนี้มันไปอยู่กันนีมันถูกประคบปงมถูกเลี้ยงดูติดนิสัยมันกินขนมปังถ้าไม่ทานเนยไม่ทานนมไม่มันมันไม่กินนมปังเป่าๆมันไม่กินไอไอโทนเนี่ยเห็นไหมขนาดหมามันยังไปอมมามันได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่นะถ้าปรุงไม่ได็ร้มันไปดมๆมันไม่กินนะ ขนมปังเนี่ยมันไปมีนมปังเปล่าไม่ทาเนยไม่ทานมไม่มันมันมันไม่ไมกินสุดยอดเลยสุดยอดมาเลยอ๋อนี่ขนาดหมานี่นี่มันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกคุณเลี้ยงสิเลี้ยงปะ่ะกบหมาประกบปหมหมาจนเราต้องหัดวิจัยมันมันจริงๆริด้วยมันไม่เอาถ้าไม่ได้อย่างที่มันติด ถ้าปรุงแต่งไม่ได้อย่างนี้ ม, นมันไม่เอามันมาดมมันมาดูแล้วไม่ครบมันไม่กิน่นมันไม่รับมันนี่ใสเสียถึงขนาดนั้นนะสัตว์แต่ก็ยังดีกว่าคนนะคน ต, ติดยึดมากกันนั้นนี่ใสเร็วได้เก่งกว่าสัตว์เยอะยึดติ ด, ดยเยอะอโง่เยอะกว่าสัตว์เดรัชานมากก็เลยติดยึดมากกว่าสัตว์เดรัชาน เนี่ยถูกด่าซะนี่คนวันนี้ด่าคนยิ่งก็ไดเดะ์ฉานนะถูกด่าซะนี่วันเนี้ยนี่นี่ด่าฟรีนะเนี่ยด่าไม่เอาตังค์ด้วยแต่ใครจะให้ตังค์ก็ไม่วานะแต่ตมาไม่ให้อะแต่ตมาด่าฟรีด่าไม่เสียค่าปรับ <c oughs> อัตมาสรุปว่าเป็นกลุ่มของความคิดสรุปว่าเป็นกลุ่มของความคิดที่มันได้สังเคราะห์สังขารมาไอกลุ่มของความคิดนั่นแหละเป็นองค์ประชุมของจิตสังขารไจะเรียกมันว่ากายสังขารก็ได้ถ้าเข้าใจไม่สับสนมันเป็นองค์ประชุมของทุกอย่างถ้ากายแล้วนี่ท่านมีเงื่อนไขว่าต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอก จนหลงผิดมาเกี่ยวแต่ข้างนอกจนกระทั่งกลายเป็นทิ้งข้างในเลยคำว่ากายก็เลยเพี้ยนไปจบเลยในเมืองไทยเพราะต้องเกี่ยวกับข้างนอกถ้าไม่เกี่ยวข้างนอกยังไม่เรียกว่ากายสมบูรณ์ในการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นแล้วจบแล้วเหลือแต่องค์ความคิดที่บริบูรณ จะกระทบก้างนอกก็ได้แล้วไม่กระทบก้างนอกก็ได้แล้วทำจิตสะอาดจนกระทั่งสามารถที่จะจัดการกระคิดความคิดหน่วยความคิดองค์ความคิดของเรานี้ได้สมบูรณ์นี่คือหน่วยของความคิดที่อาตมาย่นย่อเข้ามาให้ฟังเพื่อที่จะโยงใยไปอธิบายว่าตอนนี้เรามีสื่อสาร เล่มหนึ่งชื่อว่าเราคิดอะไรครบย0สบปีอยู่อายุมาตั้งย0สปีเป็นหนุ่มฟอเป็นสาวพริ้งเลยอายุ20สบนิ่งเลยเราคิดอะไรนี่ทำอะไรมาย0สบปีย0สิบปีผ่านพ้น ใช่ฝันเราคิดอะไรทันโลกบ้างรู้โลกใช่แค่ผันตามโลกแต่ช่วยโลกอีกข้างต่างชั้นในสังคมหมายความว่าคุณนี่เป็นชีวิตที่ คิดอะไรก็ตามคุณคิดอะไรอยู่ก็ตามในทันโลกเขาบางไม้นะแล้วผันตามโลกอนุโลมตามโลกเมื่อกี้อธิบายแล้วผู้ที่เป็นอริยะสามารถมีสัจจานุโลมมีกิยานวจะอนุโลมน่จะปรุงแต่งกาแฟให้เขากินก็ได้ทั้งท้ที่เราไม่ติดหรอกเราไม่ต้องยกล้อหรอกรจะปรุงแต่ง ต้มยำกุ้งหรือจะต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้หรือไม่ต้มยำต้ออธิบายไปแล้วเมื่อกี้คุณก็ผันตามโลกอนุโรมหรือคุณเองคุณไปกับโลกเขาเลยโลกก็พาเป็นคุณกับเป็นไปเลยคุณพาโลกก็พาติดก็ติดก็บเขาไปหมดโลกก็พาโง่โง่ไปหมดโลกก็พากงโกงไปหมดจนก็ตั้งให้แยกตัวออกจากขุ่มคนโกงไม่ได้เลย อัตมาในภูมิใจนะแยกเพราะคุณออกมาจากกลุ่มคุณโกงได้บ้างเนี่ยได้บ้างยังมามีทรยศในที่นี้มีขบว โ, โกงนิดๆนหน่นนนอยอยู่บ้างระวังเอว่าน้องจะจับติดคุกกีไก่ เพราะงั้นเรารู้โลกแล้วก็ไปผันตามโลกหรือว่าเราอยู่เหนือโลกแล้วอนุโลมให้โลกเท่านั้นเราไม่เป็นไปด้วยหรอกแต่อนุโลมอยู่เขาก็ต้องช่วยกันไปน้าช่วยโลกอีกข้างต่างชั้นในสังคมเพราะงั้นโลกมีต่างชั้นวันลนะมันมีความต่างจริงๆพวกที่ถูกกดข่มพวกที่ถูกเอาเปรียบเอารัดหรือพวกที่เอาเปรียบเขาช่วยทั้งคู่แหละคนเอาเปรียบเขาก็ไม่หยัางเขช่วยให้เขาเอาเปรียบรอกก็ช่วยกันคนที่ถูกข่มก็ ช่วย อ, อย่างน้อย ก, ก็ต้องช่วยคนที่ถูกข่มก่อนเพราะน่าสงสารกว่าไอ้คนที่ไปข่มเขาน่าสงสารไอ้พวกนี้มันน่าฆ่าน่าข้อกบนันไอ้พวกถูกข่มนี่สงสารก่อนอต่างช่วยโลกอีกข้างต่างชั้นแต่ช่วยโลกอีกข้างต่างชั้นในสังคมเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราคิดเรารู้แล้วเราก็อยู่เนื้อในสรุปบทหนึ่งที่จริงมันจบหมดละ คนข่มคนอื่นด้วยโลกกรทำเพราะในโลกนี้มันก็อยู่กันอย่างเงี้ยคนทุกคนอ่ะอยู่ด้วยโลกกระทำข่มกันเอาโลกกระทำมาเป็นเครื่องมือนะพวกนี้ไม่เก่งไม่เอาไอไ้ม่เอาทำเป็นเครื่องมือเอาโลกกระทำมาเป็นเครื่องมือเอาลาบยสนนศสันเสรโอกรีสุเอากาเอาอัตตามาเป็นเครื่องมือไม่เก่งคนข่มคนอื่นด้วยโลกกระทำฉลาดบาทก่อเล่ อำนาจซ้อนฉลาดฉลาดทิหายเลยก่อจะบาปฉลาดก่อบาปฉลาดบาปก่อเล่เป็นอำนาจและเป็นอำนาจซับซ้อนซับซ้อนหลอกคนจนหลงเพราะฉะนั้นคนที่โง่ก็ถูกอำนาจซับซ้อนพวกนี้หลอก mm hmm. สังคมล่มจมจำนนชั่วเขาเลยเนี่ยสังคมก็ ล่มจมแล้วก็จำนนกับความชั่วของคนชั่วพวกเนี้เพราะงัความชั่วคนชั่วคลองโลกคลองอำนาจแล้วก็แพ่อำนาจทำอะไรเลวร้วาอยอย่างเงี้ยสังคมล่มจมจำนนชั่วเขาเลยโลกสุดทุกข์สุดร้อนเพราะร้ายคนเลว โรคก็เลยมันสุดทุกข์สุดร้อนไปหมดเพราะว่ามันความร้ายความเรวของคนเร็วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเปลวปมแห่งเหตุนั้นคือใดนะไม่ว่าจะเป็นเปลวเป็นกระจายไปหรือว่าจะเป็นปมเป็นก้อนก็ตามเปลวปมแห่งเหตุนั้นคือใดเราคิด อยู่ในเครามาพูดเราคิดปรยานน้นยเนี่ยคือน้องซื้อเราคิดอะไรนี่แหละพอว่ามันเขียนให้วันเกิดเขียนให้มันเกิดเราคิดอะไรเราคิดเน้นช่วยในจุดนี้เน้นในเรื่องที่จะหาเหตุของเปลวของปมทั้งหลายแหลที่มันเป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้มันเกิดสุดทุกข์สุดร้อนนี่แหละเราคิดเน้นช่วยในจุดนี้ทุกอย่างโลกเป็นไปตามเหตุ เพราะโลกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุจะเป็นจะไปในะเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นเพราะเราต้องค้นหาเหตุของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละองค์ประกอบให้ได้แล้วก็กําจัดเหตุที่เป็นอกุศลเหตุทุกอย่างโลกเป็นไปตามเหตุดับเหตุดับร้ายชี้ช่องแท้พุทธธรรมเพราะฉพุทธธรรมนี้เป็นธรรมะที่ ดับเหตุชี้ช่องให้คนดับเหตุทั้งสิ้นดับเหตุดับร้ายเหตุที่มันร้ายก็ดับเหตุนั้นชี้ช่องชี้ทางนำพาพุทธธรรมสำหรับเรามุ่งเป้าเพียรทมเราก็คือตัวเราคิดอะไรนี่แหละเบญญาเล็กอัตมาใส่เครื่องหมย้ยคำพูดไว้ใส่เลยว่าสำหรับเราคือเราคิดอะไรนี่มุ่งเป้าเพียรรม ปรามัตถธรรมสำทับสำมาทําปรามัตถธรรมมาเรียนปรามัตถธรรมมาศึกษาปรามัตถธรรมประกาศปรามัตถธรรมอธิบายปรามัตถธรรมมาพยายามนําปรามัตถธรรมนี่มาทำซ้ำกับของพระพุทธเจ้าพาธรรมแต่คนอื่นพาซับซ้อนเปลี่ยนโลกุตราไปเป็นอื่นเป็นเปลี่ยนปรามัตถไปเป็นอื่นเราก็เอามาลือใหม่ เอาขำมูร์จเจ้าเขามาทำซั์ทำซอ้อนซ้าขึ้นบำใหม่ทำให้ใหม่น่ประมัดจะทำสมทับซอ้อนสัจกฎแห่งกรรมสัจจะกดแห่งกรรม ส, สาคัญยิ่งมันก็อยู่ที่กรรมมันก็อยู่ที่กดแห่งกรรมมันก็อยู่ที่ความจริงของเหตุมันเป็นกฎแห่งกรรมก็คือเหตุนี่แหละเหตุชั่วมีที่เรามันกพาเราชั่ว สุขตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกเหตุชั่วมันก็พาเราทาชั่วตามกรรมกรรมานังสุกตะทุกตามันจะเหตุดีมันก็พาทำดีนะสุกตะทำมันไม่ดีมันก็ทุกตังไปแล้วก็เผดผลเป็นอิบากไปเรื่อยๆนะสัจจะกฎแห่งกรรมสาคัญยิ่งในโลกสัจจะคำจึงได้อยู่ดี เพราะถ้าไม่มีสัจจะก็พังแต่ถ้ามีสัจจะมีความรู้เป็นสัจจะโดยเฉพาะประมตัตาสัจจะหรือแม้แต่ส ม, มุติีสัจจะเขาก็มีกัลยาณธรรมส ม, มุติีสัจจะเนี่ยมันไม่ไปถึงขั้นปรมาติไม่ถึงขั้นโลกุตระมันก็ยังมีกัลยาณธรรมมีธรรมะอันดีของส ม, มตุติคนก็ต้องภาคเพียรอย่างาศาสนาหรือว่าปาฏหรือผู้รู้หรือผู้หวังดีของโลกเขาพาทำดีทั้งนั้นเนี่พาทำกัลยาณธรรมเหมืนั้นแหะ แต่ถ้ามีความรู้ทางด้านปรมตาทมด้านโลกุตระแท้แบบพุทธก็พาทำไปถึงขั้นโน้นเลยเพราะสัจจะทั้งสัจจะสมมุติทั้งสัจจะปรมัตาสัจจะใหญ่สองสัจจะนี่ก็หลักคําโลกอยู่ทั้งนั้นน่ยนะพาสู่ดีทั้งนั้นถ้าเรียนรู้และภาคเพียรในเรื่องเรียนสัจธรรมบ้างเพราะมีสัจจะทั้งธรรมสองเพราะมีสัจจะทั้งสมมุติสัจจะและปรมาสัจจะ ปรมัดสัตวปรมัดชัดคันลองช่วยแท้ถ้าเป็นปรมามัตดชัดถ้าใครชัดในปรมามัตธรรมก็ดําเนินคันลองไปช่วยโลกช่วยคนช่วยมนุษย์แท้แท้ได้จริงๆเลยปรมัดในยิ่งยอดสมมุติก็ต้องครองคู่โลกสมมุติทสัจจะสมมติธรรมก็ต้องมีคู่โลกไปตลอดเวลาแต่ต้อง ให้เป็นกัลยาณธรรมแม้สมมุติก็ต้องเป็นสัจจะที่เป็นกัลยาณะนะนไม่เป็นกัลยาณธรรมไม่ได้สมมุติก็ต้องครองคู่โลกต้องสัจจะจึงแก้ทุกข์ได้ธรรมดานะเพราะงั้นถ้าไม่รู้จักสัจจะไม่ว่าจะเป็นสมมติสัจจะหรือยิ่งปรมัจาสัจจะแก้ไขอะไรไม่ได้ง่าย สมมติสัจจักก็ได้ชัวรระยะหนึ่งพยายามภาคเพียนช่วยกันดีทำกันดีออกตั้งกฎหมายมีการบังคับกันหรือว่ามีการทำให้เกิดวัฒนธรรม เ, เกิดจารีตประเพณี เ, เกิดพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่จนเป็นกัลยาณ์าได้พอสมควรก็ยังดีแต่ถ้าทำได้ยิ่งเป็นปรมัติ์เลยมันจะทาวร มันจะยั่งยืนนะมันจะไปได้ตลอดเวลานะเพราะงั้นสัจจะแก้ได้เป็นธรรมดาสแสวงหาแต่กิเลสไซคืออสัจเป็นอสัจจะธรรมเพราะงั้นคนที่มันสแสวงหาแต่กิเลสเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่เข้าใจสัจจะทั้งสองอย่างสัจจะสมมติก็ไม่รู้สัจจะท้งโลกุตระย่งไม่รู้ใหญ่ปรมาจาสัจจะ พราเขามีแต่อสศัต ท, ที่มันหลอกตัวเขาสแสวงหาแต่กิเลสแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรก็สร้างแต่กิเลสนะโดยหลงเลยนะหลงว่าไอ้นี่มันไม่ใช่กิเลสนึกว่าดีงี้เป็นต้นสมมุติก็ไม่ชัดอสสัตวล้วนอสัต์ไม่รู้ทักอย่างอสัตว์ที่จะเป็นสมมุติก็ไม่รูนะ้ยิ่งขั้นปรมัติ ยิ่งยากยิ่งแฮยิ่งประมาจิยิ่งเลยเลอะเลยไม่รู้เรื่องแล้วยิ่งยากยิ่งซ <s> ึ่งสัจจะต้องท่วนท่องแท้คุณธรรมมันต้องรู้สัจจะทั้งสมมติต้องรู้สัจจะทั้งปรมัติตเพราะจะอนุโลมแม้จะเป็นโลกียะจะเป็นสมมติสัจจะก็ต้องให้เขาเป็นกัลยาณชนกัลยาณธรรมถ้ายิ่งเป็นปรมัติตสัจจะหรือเป็นเปรตรมัติธรรมได้ ยิ่งนีใหญ่นะ20ฉน้ำทำหน้าที่สื่อมา20ปีฉน้ำไปว่าปี20ปีทำหน้าที่สื่อนะเราคิดอะไรเราคิดบุ่งนำพาจุดนี้นะก็พูดกลาดมาแล้วตอนต้นก็นพูดมาแล้วว่าเราคิดอะไรทำอะไรนะแล้วก็ช่วยเน้นจุดนี้แหละ เมื่อเราคิดคือเราคิดอะไรเนี่ยมุ่งนําพาจุดนี้สเสนอสองสัจจะหาประเด็นสื่อเสมอเฮยก็พยายามทําอยู่แค่เนี้ยหาสื่อเป็นสื่ อ, อสเสนอสัจจะสองอย่างจับประเด็นสื่อสองอย่างไม่ว่าจะเป็นสมมติสัจจะหรือปรมัตทสัจจะหนัก ปรามัดด้วยนะเราคิดอะไรที่หนักประมัดด้วยนะกาลยานะ ร, รมแบบโลกโลกเป็นสัจจะส ม, มุติที่สัจจะก็ชั่วอยู่เดี๋ยวก็นําพาไปสมมุติปรมัตดชี้สัจจะให้ครบธรรมจบลงท้ายให้ทั้งประมัดให้ทั้งสมมุติที่เป็นสัจจะให้ครบ ทำทุกอย่างในที่สามารถรู้สามารถทําได้เพราะเราคิดอะไรย0สบปีมาทํางานในบวันเกิดเขาก็เลยเขียนอันนี้รวบรวมให้พวกเราเนี่ยได้ทํางานกันมาสร้างจุดตักกะความนึกคิดได้ไตรได้ตรองได้ตรวจได้ตราจนกระทั่งเป็น ไตรไตราตรานิ ก, น, กนิกขมะนิกขมะนิกขมะนิกขมะก็คือเนคขมะนิกขมะนานประกาศธรรมาอันหนึ่งชื่อไตรตรานิกเขียนหนังสือเล่มเดียวคุณไตรตราเขียนหนังสือเล่มเดียวเขียนศิลปะหรืออนาจารย์ มีเล่มน้อยเดียวเล่มนิดไตราตานิกไ ต, ตรตานิกลอเรียนไตตานิกนะรลอเรียนหนังไตตานิกมันมาก็เลยเขียนศิละปะวิจารณ์มันซะหน่อยมันเอาไตตานิกมามอมเมาคนเอาเงินไทยไปทั้งหลายตังมันมอมเมาแท้แท่เน่ยไอไตรตานิกเนี่ย มนังมอมเมาแต่มันมอมมอมได้เนียนไงโอ้ยคนไม่รู้เรื่องมันมอมมอมมันมอมกรามมันเป็นหนังโรแมนติกไม่ใช่เป็นหนังบูนะแต่ตัวเองไม่ใช่หนังบูเป็นหนังกรามกับหนังน้าหน้ากลัวหน้าประจนภัยเท่านั้นเองเอาสองรถใหญ่ๆมันไม่มีถ้าหนังที่มันครบรถเนี่ยมันจะมีพร้อมๆหมดเลยรูปมีเฉพาะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเต็มไม่หมดในนั้นน่ะ นั่นเรียกว่าหนังปรุงแต่งครบรถโลภโกรธหลงเต็มเหนียวโดยไม่รู้ตัวติดยึดรสชาติของโลภก็ติดยึดหลงโก็ติดโดยโลภโกรธก็ติดหลงก็ติดเต็มเหนียวเลยปรุงแต่งได้ครบรถนั่นคือหนังวิเศษนะพาะจะปรุงแต่งรถของราคะยังไงปรุงแต่งรถของโทสะยังไงปรุงแต่งรถของโมหะยังไง ถ้าคุณคนเข้าใจแล้วนี่โหใส่รถเต็มเนียวต้วให้เนียนนะไม่ให้หยาบแล้วคนไม่รู้ตัวหรอกติดหน้าดูเลยถ้าตมาอยู่ทั้งโลกป่านนี้อาตมาสร้างอะไรต่อะไรพวกนี้มอมเมาคนเนี่ยโหยหนังเกาหลีไม่ได้ติดฝุ่นหรอกตอนเนี้ยบริษัทหัวใจซีชมพูไปกินหมดนะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปพระเจ้าไม่ยอมอให้มาท้งนี้ซะ ไม่ยอมให้ไปทางโ น, น้นถ้าไปทางโน้นไม่มาทางนี้นะโอ้โหรับรองบ้าเลือดเลยอาตมาก็ไปใหญ่เลยนะเราพยายามช่วยสังคมด้วยการไตรตรองตรวจตรานะพยายามที่จะทำประโยชน์ด้วยสัจธรรมพวกนี้จนมาถึงวันนี้แล้วอาตมา มั่นใจเห็นชัดรู้ชัดว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนสังฆะเป็นสาวะกะสังโคเป็นผู้ได้ฟังสาวะกะเป็นผู้ได้ฟังฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติจนเกิดเป็นพุท ธ, ทธบริษัทจนเกิดเป็นอริยะบุคคลจนเกิดเมโลกมีโล ก, กุตรธรรมวันนี้ใครที่ยังไม่รู้กายในกายก็ไป ถึกษาให้ดีๆนะเรียนรู้กายในกายเป็นโลกุตระสามข้อตนยิ่งรู้เวทนาในเวทนาแล้วก็ทำเป็นรู้จิตในจิตทำเป็นรู้ธรรมในธรรมปฏิบัติเป็นทำใจในใจเป็นยิ่งเป็นโลกุตระสูงขึ้นจนิงแล้วก็ไปปฏิบัติทุกเวลาสมปทานสี่ไปสังวรปรทานแล้วก็ไป กำจัดกิเลสให้ได้ประหารประทานเกิดผลให้ได้เดี๋ยวภาวนาประทานแลว้วก็รักษาผลให้เป็นอนเนชาพิสังขารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันบริบูรณ์ด้วยสุดท้ายทั้งอดีตอนาคตมันศูนย์ถาวรศูนย์ยั่งยืนศูนย์ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไปทำไม่ได้ด้วยอิธิบาตสี ด้วยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเสริมก็ไปอีกก็เป็นโลกุตระเสริมก็ไปอีกเป็นโลกุตระสิบสองโลกุตระสติปทานสีธรรมปทานสีอิทธิบาทสีเป็นสิองโลกุตระเกิดผลเป็นอินทรีห้าพละห้าเติมก็ไปอีกเป็นโลกุตระแถมอินทรีห้าเติมพละห้าอีกสิบเป็นยีสบสอ ครบโพชงเจ็ดครบมรคงแปดอีกสิบห้าเป็นสาสบเจ็ดได้ผลครบทั้งเก้าโลกุตระเป็นพระอรหันจอยครบสี่สิบหโลกุตระนะ เนี่ยธรมาก็หลักฐานพยัญชนะนิรุติปฏิพานต่างๆโดยอัตตะธรรมะที่อาตมาเข้าใจมีเอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้พวกเรากินแสบไหมแสบไหมวันนี้ปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้กินรถดีแล้วจะไปติดเลยถ้าติดธรรมะได้ดยาไปติดก๋วยเตี๋ยว ไปลงติดก๋วยเตี๋ยวต้มยำเงินเสร็จเลยแต่อัตมาส ม, มุติวก๋วยเตี๋ยนี่คือต้อมยำคุณก็ไปติดธรรมะอาไม่ว่ากันอย่าไปติดเฉยๆนะปฏิบัติให้ได้แม้สุดท้ายเป็นนิพพานทมก็ไม่ติดว่านมายึดนิพพานเป็นของเราถ้าได้นิพพานล้วก็รู้ว่านิพพานอ๋อพี่เครื่องอาศัยแล้วก็อาศัยไปทาประโยชน์ชีวิตคือตัวประโยชน์ ชีวิตนี่คือประโยชน์เพราะใครมีชีวิตเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มันก็เป็นสุดยอดแล้วมนุษย์บางคนเราที่ไม่เข้าใจเรื่องประโยชน์เนี่ยมีแต่เรื่องเอาเปรียบมีแต่เรื่องหลงมีแต่เรื่องตะกละตะกลา้ามีแต่เรื่องโลภโมโทสันดีไม่ดีก็ทําโทะดีไม่ดีก็มีการทํำร้ายทาเลวทําสิ่งที่สูญเสียทําอะไรต่ายขึ้นไปอีกมันไม่ดีเลย นะอาตมาอย่งอาตมานำธรรมาพุทธเจ้าขึ้นมารื้อรื้นได้ขนาดนี้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะถ้าอยากให้อาตมาสบายใจกว่านี้ทําไงรู้ไหมเออใครจะคิดออกบั้งถ้าอยากให้อาตมาสบายใจกว่านี้ทําไงฮะฮะ อา้าดูซิว่าที่ดอกเตอร์เนี่ยเราว่าทีจะจ บ, จ, บจะจบดอกเตอร์ไหมแต่อตอบแบบนี้ไม่ได้ไม่จบนะด็อกเตอร์เอ อ, ก, เอก็คือพวกเราเนะี่ยพยายามปฏิบัติให้บัรลุอริยธรรมมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละอาตมาก็จะสบายใจยิ่งขึ้นแต่ขณะนี้ก็สบายใจพอสมควรนะว่าเออธรรมะพุทธเจ้าเป็นอักาลิโกอ่า สันติติโกอะกาติโกเอหิปสิโกโอปัญญโกจริงๆเลยเป็นธรรมะที่เอาคนเอาตัวคนเอาตัวใครก็แล้วแต่ใครก็ตามเอามาเข้ามาปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเรียกว่าสันติติโกเอาตัวเองเข้ามาปฏิบัติสันติติโกมาได้ด้วยตนให้มันจริงเลยถ้ายังไม่ได้คุณก็ยังไม่มีสันติสันติติโก คุณไม่เข้ามาก็ไม่มีสันติทิโกคุณเข้ามาแล้วก็มาเอาให้ได้ได้ทุกยุคทุกสมัยอากาลิโกไม่ว่ายุคไหนสยุคไหนนะถ้ายังมีส ม, มาธิทฐิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ได้ตราบใดโลกไม่ว่างจากอารหันนะเพราะฉะนันอาตมาเองอาตมามั่นใจอยู่ว่าอารหันเก้า ร, รูปเนี่ยได้แน่ ใครจะชิงตํำแหน่งนี่ได้ไปองค์หนึ่งแล้วนะประกาศไปองค์หนึ่งละแทนที่จะได้เป็นผู้ชายผ่าไปเลยผู้หญิงก่อนว่าไอเรานี่มันยังไงไม่รู้แทนที่จะเป็นอราหันต์ชายเนี่ยอรหันต์หญิงเลยน่ยจะประกาศก่อนก็ไม่ดีไปประกาศก็ต้องประกาศเอาตอนตาย จะประกาศก่อนก็ไม่ดีก็ประกาศเอาตอนนั้นวาไม่ว่ากันแต่ก็ค่อยศึกษาศไปาเอารย อ, อีกแปดใครจะเข้าคิวแล้ว <c oughs> เกินไม่ว่าแต่ตั้งหลักเอาไว้ว่าเอาสักเก้านะเอาสักเก้ารุ่มไปรอดนะ การูปจะเจริญง่าย น, าน้อยก็ได้มันก็ได้เท่าที่มันมีอ่ะมันมีหนึ่งรูปก็ได้ทูไทไปเปท่านั้นมันไม่มีเลยมันก็ทูไทไปเท่าที่มันไม่มีเขากลัวว่าอโศกเนี่ยอัตมาตายแล้วเนี่ยจะสูญหายเหมือนก็นอย่างสำนักต่างๆาพอเจ้าสำนักตายก็ลู่มโรยเศร้าซาไม่นานไม่ช้าก็หมดเชือ้อ หมดจริงจริงมันไม่เคยถาวรถ้าไม่ใช่ของประมาทไม่ใช่ขโลกุตระถ้าโลกุตระมันมีนิจังทุวังสัจตังมันมีนิยัตะมันมีความมั่นคงมันมีความแน่นอนมันไปได้นานเท่ากันมันไปได้จริงนะจริงอันนี้เป็นสัจจะเพราะงั้นอาตมาเองอาตมาก็ต้องพิสูจน์สัจจะนี้ด้วยว่ามันจริงไหม ถ้ามันจริงมันต้องนานสัจจคคงทนต่อสิ่งพิสูจน์ถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่นานอัตมาไม่ใช่พูดตัดสินสัจจเป็นตัวตัดสินของสัจจเองแล้วตัวพวกคุณจะตัดสินให้ตัวเองเหมือนกันรู้ให้จริงแล้วทําให้ได้จริงถ้าจริงแล้วคุณก็มั่นใจจริงแล้วคุณก็อยู่กับมันเองเ อ, งอะ่ะมันก็จะไปเองของมันเรื่อยๆทุกวันนี้อัตมาก็ใช้ ภูมิปัญญาอัตามาเรมองว่าชาวโศกนี่มันไม่ได้เนื้อแท้ไหมอัตามาก็ว่าแท้เพราะว่าพวกคุณไม่ได้มาแกล้งใครจะแกล้งก็ไม่วานะแกล้งให้จนตายนะแกล้งกินน้อยใช้น้อยแกล้งมาประหยัดแกล้งมาทํางานฟรีแกล้งมาอยู่เงี้ยอย่างที่พาเป็นนี่แหละรวมๆแล้วเนี่ยพาเป็นอย่างเงี้ยใครจะขบรก็แซมแซมแสกแสกัโดนทวงโดนเนี่ยตารวจเยอะตำรวจกระกระโศกเนี่ย ว่ากันไวว่ากันเก่งนะมาเบามือหน่อยปเดี๋ยวนี้หมดแต่ก็รู้รู้การประมาณพวกเราก็รู้การประมาณนะอัตมา ก, กำลังพยายามที่จะให้โล ก, กุตระรมฟืนตอนนี้ก็พยายามอธิบายขยายความเทวานิยมก็ดีโล ก, กุตระก็ดีซึ่งเป็นหลักใหญ่ตอนนี้ขยายความมากขึ้นทึกคำว่ากายอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้บ้าง ให้รู้ว่ า, าคำว่ากายมันหมายความอยังไงในประมัตฐธรรมในธรรมะอันสูงสุดหรือแม้แต่คำว่าบุญกำลังขยายอยู่มันเพี้ยนไม่หมดแล้วมันมีคำธรรมะต่างๆมันก็เพี้ยนแม้แต่คำว่าบุญคำว่าบาปคำว่ากุศลอกุศลคำว่ากายคำว่าจิตเพี้ยนหมดแล้วรูปๆนามๆก็เพี้ยนไม่หมดนะโลกุตระโลกิยะไม่รู้เรื่องหมดแล้ ว, เ, ลกกลกกลวเทวดดงเทวดาสัตว์นรกอะไรมก็ไม่รู้แล้ว ตัวเราไม่รู้เลยบาบาบุญบุญนะโลกุตระโลกกิยะอะไรก็ไม่รู้จะไม่เหลือแล้วในะาศาสนาพุทธนะเสื้อตบะเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่ามาถึงยุคประยุทธ์ล้ประยุทธ์นี่แปลว่ารบตอนนี้มันก็คือกําลังรบธรรมมาธรรมะสงครามที่ยวตมาพาพระธรรมนีท่ทําสงครามทตรงนั้นเนี่ยธรรมมาธรรมะสงคราม กำลังพาพวกเราไปทำการณะถ้าทำรอดก็ได้ก้าวหน้าไปหาอารณะอยู่ในสนามรบเราเรียกว่าสารณะสารณะนี่อยู่ในสนามรบประกอบการรบสารณะแปลว่าการประกอบการรบถ้าตายฟรีก็เรียกว่ามารณะตายแล้วมีกิเลสไปด้วยล้วมรณะ ถ้าตายอย่างดีหรือว่าอารณะการรบที่ชนะไม่รบฟรีรบแล้วได้มรกได้ผลอรณะแต่ถ้ามารณะนี่ตายฟรีผู้ที่สามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้แล้วเป็นอรณะแล้วก็อาศัยอรณะเป็นที่พึ่งอันกเกษม เป็นสาระเป็นองค์ประกอบที่ไม่ต้องรบแล้วตอนนี้สาระก็คืออารณะแล้วไม่ต้องรบนะจะมรณะกับร่างกายตายเท่านั้นแต่นี้สบายถ้ายังไม่อยากมารณะอีกก็เกิดใหม่อีกได้เพราะงั้นผู้ที่เป็นอราหันต์จึงไม่กลัวมรณะถ้าอยากเกิดดี ก, ก็เกิดได้ดีด้วยดีก็เก่าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมรอก็เก่า รวยก็เก่าบา ร, รมีมากก็เก่าเพราะคุณมีต้นทุนที่คุณสะสมเป็นบา ร, รมีนะั้นเป็นกุศลที่แท้จริงและคุณก็เป็นบุญที่แท้จริงได้ล้างกิเลสออกด้วยเพราะกิเลสก็ไม่มากับคุณเกิดอีกกิเลสซากเซิกไม่เหลือแล้วตายอีกทีนี่เนี่ยร่อนจอนขึ้นมาใหม่ได้องค์ใหม่กิเลสไม่มีติดมาเลยแต่ตอนนี้มันยังมีครคราบกิเลสอยู่นะไม่ล้างก็ยังมีคราบๆอยู่นะ เพราะยังไม่ได้ตายยังไม่ได้หมดอวัยวะยังไม่หมดไออาการสามสิบสองออกไปยังใช้อาการสามสบสองนี่อยู่ครบก็เลยยังมันยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไงพอเปลี่ยนร่างใหม่ออกมาเนี่ยมันสํารอบหมดเลยเปลี่ยนใหม่ยกเครื่องใหม่พื้นตรงมาเลยมันจะยกเครื่องใหม่ที่ไปล้างเครื่องเล ยกแกะกล่องมาใหม่เลยตายแล้วเกิดใหม่แกะกล่องมาใหม่เลยใช้โครโมโซมตัวใหม่ของคนใหม่แต่ DNA ของเราเก่าแต่โครโมโซมในของพ่อของแม่แต่ DNA นในของเราเป็นพันธุ ก, กรรมของเราเพราะพันธุ ก, กรรมของจิตวิญญาณไม่ใช่พันธุ ก, กรรมของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งแค่คโครโมโซมเท่านั้นเองที่ทำให้เกิดมามีอำนาจมีฤทธิ์ตามหลักของอะไรเมนเดนหรือหลักอะไรจีวิทยาที่เกิดมาจนกระทั่งแม้แต่มันมาพาเกิด ระบบตั้งแต่มันมีเชื้อเก่ามามันมาพาเกิดอีกเนะ่ยเขาก็พยายามทางวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ทางเคมีธาตุเขาก็ศึกษาเหมือนกันของพุทธเราก็ศึกษาเพราะขอพุทธของเรานี่สร้างดีเได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดดีเเลยของพุทธเนี่ยดีเสุดยอดเลยดีเของแค่ของมัน ดีเเป็นของเอโกเป็นของส่วนตัวเป็นเอกกขตจิตเป็นจิตส่วนตัวที่ขาวรมั่นคงแล้วและมันมเป็นของคนอื่นเป็นเอโกเป็นเอกะเป็นส่วนตนเป็นของตนเพราะมาสายเกิดเอาดีเอมาเกิดใช้โครโมโซมของคนอื่นมาเป็นเป็นโครงสร้างของกายไม่ได้เป็นของคนอื่นเลยมาเกิดแล้วก็มาทํางาน เพราะผู้เป็นพระอาหารหันต์แล้วจะเข้าใจความเป็นมรณะอรณะสรณะกรณะกรณะคือกรรมการกระทาการงานกรณะกรณียะกรนณ ะ, นะเป็นการกระทำาพระผู้ที่จะทำรู้ว่าบาปก็ไม่สรพาปาปะสะอฐกรณะไม่ทำ ไม่มีกรณะของบาปไม่มีบาปเขามาทำได้แล้วไม่ทำไม่ทำได้แล้วกรณะเพราะจะทําอะไรอยู่ตลอดเวลากรณะไม่ทําบาปทั้งปวงทําแต่กุศลทำแต่สิ่งที่ดีบุญบาปก็หมดแล้วปุญญะปาปะ ป, ป, ปริขีโนไม่มีบาปไม่มีบุญละบุญคือการชรําระกิเลสก็ชําระหมดแล้วเลิกทําบุญแล้วพระอรหรนะันต์น่ะ เลิกทำบุญทำบาปเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปบางคนเข้าใจบุญกับบาปไม่ได้ทุกวันนี้ก็เลยเอาบุญมาลอ่อมาหลอกเพราะแน่นอนบุญใครก็อยากได้มากกว่ากุศลเพราะบุญมันคือการจำลักเจเล่ไม่เป็นพระอริยะแต่กุศลไปไม่ได้เป็นพระอรยิยได้แต่คุณงามความดีทางกัลยาณธรรมเพราะหน่วยกัลยาณธรรมเขาก็ค้ากัลยาณธรมรมกัลยาณชนกันเขาก็มีแต่กัลยาณมิตร แต่พวกเราที่เข้าไปถึงญาติธรรมพวกเรานี่ญาติธรรมเลยนี่มันเป็นสัจจะเราไม่ได้เจตนาจะมาเรียกพวกเราญาติธรรมแล้วก็ไทางโน้นก็มีเจตนาจะเรียกกาลยานามิตรหรอกแต่เขาได้แค่นั้นแค่โลกีเขเรายี่โลกุตระญาติธรรมเป็นญาติญาติคืออะไรตอบ คือญาติไม่มีใครสอบได้สักคนเลยเหรอฮะสา ย, สายโอสายโลหิตทำอ๋อญาติที่ทำนี่คือสายโลหิตของธรรมไม่ใช่ไอ้นี่มันโลกีไอ้นี่มันแค่วัตถุรูปโลสายโลหิต ญาติธรรมคือการทรงไว้ซึ่งการพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ยังจําได้ไหมเคยสอนไปไม่รู้กี่ทีแล้วผู้คําความเป็นญาตินี่คือสิ่งจริงสิ่งจริงของการพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เป็นญาติมาทางสายเลือดเกิดมาทางสายเลือดแต่มันพึ่งกันไม่ได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันไม่ได้ มันไม่ใช่ญาติขนาดมันออกมาสายเลือดเดียวกันเนี่ยแต่มันไม่ได้มีการพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เลยเนี่ยมไม่ใช่ญาติหรอกแต่พวกเรานี่ญาติเห็นไหมคนละสายเลือดคนละตระกูลคนละสายเนี่ยอ่าสวยก็มีลาวก็มีแคเมเก็มีเนี่ยเจ็กก็มีอ่า มีชาติอื่นบ้างที่นี่เนี่ยอินเตอร์นะที่นี่มีหลายชาติกว่าที่อื่นเหมือนกันแล้วก็มาพิเกิดพิงแก่เพิ่งเจ็บพิ่งตายกันจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้ต้องการที่จะช่วยกันเพื่อจะได้ลาบแลกจะได้ยศแลกจะได้สันเสริญแลกจะได้กามแลกจะได้อัตตาแลกเราไม่ได้ทําเพื่อแลกอามิตรพวกนี้เลยเรามีความจริงใจอย่างนั้นแม้แต่เราจะมีกิเลสจะไมหมด อาตมาก็ว่าพวกเรานี่ยยังจริงใจแม้จะยินเราหมดแล้วก็ช่วยกันเราไม่ได้ต้องการพวกนี้ตอบแทนนะใครจะมีะบบระบีเลเียอะไรบ้างก็แล้วแต่นะอยากได้อะไรตอบแทนอย่างงินอย่างนี้บ้างก็หรใครของใค ร, ใครของมันก็ดูกิเลส ข, ของตัวเองเอาแต่อาตมาว่าส่วนรวมพวกเรารู้แล้วควบคุมได้พอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยชาวโศกทุกวันนี้เนี่ยโดยองค์รวมนะถ้าใครดูเป็น ชาวโศกทุกวันนี้อยู่ในฐานของอนาคามีองค์รวมชาวโศกเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านอย่างสันตโิโศกหมู่บ้านสันติโศกก็เยอะมีตัวขบวดเยอะแซมอยู่เยอะสันติอโศกนะแต่ที่นี่ก็น้อยราทธานีก็ไม่มากสาดีปฐมทั้งนั้นนะ่ะน้อยเข้มแค้นข้น เป็นธานานาคา ม, มีส่วนใหญ่นั่นเป็นเรื่องแท้นี่มาให้ขนานยาให้มา ประกาศให้เป็นวิทยาทานยามันดีก็เลยอยากจะให้โอกาสเอาหน้าเอาไว้เติมทีหลังไอ้อัตมามาประกาศขายยาอีกล่ะไอ้อัตมาสอนธรรมะอยู่แท้ๆมให้มาเป็นคนขายยาใช่อัตมาเรื่อยเลยใช่เป็นคนขายยาเนี่ยทางานขายธรรมะอยู่แท้ๆมาให้ขายยา ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ฮะเพิ่งเกิดเพิ่งแกเพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้แล้วพวกเรานี่เป็นอนณาคามีภูมิถ้าดูองค์รวมเป็นดูกายกายสังขารของชาวโศกทุกวันนี้ไม่ต้องมองเข้าไปถึงจิตสังขารเพราะว่าจิตสังขารพระคุณยังมีชนกิเลสอยู่เหลืออยู่บ้าง แต่ควบคุมทางองค์ประชุมภายนอกเต็มในรูปธรรมเป็นรู ป, ปรกายเห็นแล้วว่าถือศีลสิบเทียบภีรอยเปอรซอบายมุกไม่มีสิ่งที่เป็นอกุสลก็น้อยเบาบางแม้จะมีบกพร่องกันก็ว่ากันไปตามจริงแล้วมันก็ต้องมีบกพร่องพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ ต่อให้พระเจ้าสามองค์ก็ยังมีส่วนที่มันบกพร่องมันก็ต้องมีละคนที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องละเมิดบ้างอะไรบ้างก็น้อยน้อยอยู่ในสัดส่วนที่เรียกว่าแม่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ต้องให้เกียรติยม อ, อ, อันดับหนึ่งคูณหนึ่งเลยได้แค่หนึ่ง พจนนึงคูณหนึ่งมันได้แค่หนึ่งคูณยังไงมันก็หนคูณหนึ่งก็ได้แค่หนึ่งแม้แต่หนึ่งยกกำลังหนึ่งมันยังได้แค่หนึ่งนมันเลยเป็นหนึ่งตลอดกาลนานเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยหนึ่งจะบวกหนึ่บนหนึ่งเป็นสองอยู่เนาะแต่คูณได้หนึ่งยกกำลังก็ได้หนึ่งหนึ่งยกกำลังหนึ่งก็เป็นหนึ่งมันแปลกนะ แอบบวกนี่เออกลับได้สองไง ม, มนันแปลกดีไหมกลับไปคูณไปยกกําลังมันดันได้หนึ่งอย่างเกาเ่าแล้วไปบวกมันได้สองโอ้มนันแปลกไหมถ้าเข้าใจแล้วไม่ปแปลกหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันจะพิสพ้ามุนรอบเชิงซ้อนอย่างเงี้ยพอถึงรอบลึกมันจะหมุนกลับรอบลึกมันจะหมุนกลับถ้าเข้าใจสัจธรรมพวกนี้แล้วมันก็ไม่งงอะไรแล้วน่ะเป็นสัจจะนะ ทุ <laughs> วกวันนี้ในชาวโซเรามีรูปธรรมของอาริยสงอาเรียบุคคลแท้จริงเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาตรวจมาสอบอฐมมาเขบอพกพอเราไปหมดแล้วจะเอาการตรวจสอบหลักธรรมวินัยแปดโค ต, โคตมีสูตรมาตรวจก็ได้เอากรทาวัตถุสิบมาตรวจก็ได้เอาวันณาเก้ามาตรวจก็ได้แม่เอาสารานยธรรมหก พุทธพจน์เมื่อตรวจยังได้เลยมีเมตตากันมีกายกรรมทางเมตตาวจีกรรมทางเมตตาทางจิตเมตตาและมีสาธารณาโภคีเนี่ยโอ้โหอันนี้ที่เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์พิสูจน์ทล้งทันสมัยนำสมัยนำสมัยที่อาตมามั่นใจว่าเศรษฐกิจสาธารณโภคีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ได้อีกแล้วคอมมิวนิสต์สังคมนิยมก็สู้ไม่ได้ประชาธิปไตยนะ่ะเอาทิ้งไว้ก้นเลยประชาธิปไตยนะ่ะในแด น, นกลงประชาธิปไ ต, ตยส่วคอมมิวนิสต์นะ่ะมันโกงได้เฉพาะกลุ่มของมันส่วนประชาชนมันบังคับไม่ให้โกงเลยมันบังคับอย่างเข้มเลย คอมมินิตเนี่ยบังคับอย่างเข้มเลยมันไม่ให้คนอื่นโกงแต่ตัวมันโกงมันก็โกงในหมู่เท่านั้นแต่ประชาธิปไตยนี่แชร์กันโกงเลย อ, อย่างรัฐบาลที่ ผ, ผ่านมานี่แบ่งกันโกงเอาเองใครโกงได้โกงเอาเลวที่สุดเลยปล่อยให้โกงกันจะพึดตะพือเลย นี่ดีกับประชาธิปไตยยุคนี้ยุคนี้แม่ไม่เห็นการโกงอย่างหยาบๆมันก็โกงซับซ้อนที่ซ่อนเชิงรู้ไหมว่าอเมริกาีนโกงโลกรู้ไหมตอนนี้ก็ยังดีว่าจีนกเกิดขึ้นมาแล้วเขาพยายามจะมาต้านกำลังจะมาทานมาเป็นตัว r e s i ์ t แ n ของโลกแต่ก่อนนี้ก็ปล่อยให้เขาสบายสิ รัเสเซียก็สู้ไปสู้ไ ป, ไปจนกระทั่งค่อยๆถอ ย, อ ย, อยละตอนนี้รัเสเซียก็รวมกลุ่มกันไม่ได้แล้วก็เลยไม่มีพลังพอดีกว่าจีนขึ้นมาทดแทนญี่ปุ่นเ อ, เองก็ไม่ได้เป็นโลกุตรละเศรษฐกิจดีมันไม่ดีหรอกมันเป็นโล ก, กียะชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่นานมันก็ฟับละญี่ปุ่นในนานไปไม่รอดนี ที่ได้จีนขึ้นมานี่แหละในอนาคตเนี่ยจีนจะมีเชื้อาศาสนาพุทธอยู่จีนจะพอเอาได้เพราะฉะนั้นเราสร้างเอาไว้เถอะอีกหน่อยจีนจะเอาสินทรัพย์สินเงินทองเข้าของวัตถุสมบัติมันแรกเอาธรรมะของเราตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นจีนอยู่ในศรีสะโศนี่มันข้างๆเคลีย ง, งมีเชื้อของจีนก็คือเกาหลีมันมาเนี่ย นะั่นแหละจะเริ่มมาถ้าจีนมาแล้วก็จะมากขึ้นเกาหลีนำมาก่อนยุโรปก็มาบ้างป ล, ป, ล ป, ลปลายๆอย่างนั้นนะอีกน้อยก็เอเชียน่าจะมามากขึ้นนะอีกน้อยก็ยิ่งจะรับง่ายก็คือลาวขเขมรก็พอทาเนาอ่นานแหละนะ่าไม่เป็นไร เราก็ช่วยกันไปมันก็จะค่อยๆเกิดไปตามธรรมนะสรุปแล้วชาวโสเรานี่แหละเป็นตัวหลักของอารยธรรมนี่แหละคือสังคมจะซิวิไลสังคมสิวิไลซ์เกิดซิวิไลเซชันแบบนี้แหละที่เขาต้องการของโลกแต่เขาไม่สามารถรู้ว่าไอซิวิไลส์แท้ๆเนี่ยมันคืออะไร ชีวิไลส์แท้ๆคืออย่างนี้เราจะแพร่แพร่ธรรมะแพร่ความรู้วิชาศาสตร์เราจะไม่เรียกวิทยาศาสตรต์ตามเขาแล้วเราจะเรียกวิชาศาสตร์ไม่เอาวิทยาศาสตรห์หรอกเพราะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเป็นกระยาศาสตร์ไปแล้ว มันออาอะไรแต่ อ, อะไรมาชงเลเลเลยหลอกคนน่ะกยายศาสตร์คนเลยชอบกินใหญ่เลยมันต้องมีทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมทั้งเค็มทั้งครคบรสเลยอยู่ในกยายศาสตร์นั่นอ่ะออมันหลอกคนจนกขาตั้งหลงผิดหมดวิทยาศาสตร์ก็แก้ไม่ได้ต้องเอาวิชาศาสตร์ไปแก้ พระาะั้นอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาของเราจึงจะเป็นอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาที่เป็นมหาวิชารามไม่ใช่เป็นมหาวทิทยาลัยเป็นมหาวิชารามเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดล้ำลองด้วยเอาจริงเลยตั้งจริงด้วยนี่สถาบันอุดมศึกษาธรรมาก็ตั้ง ชื่อวิชรามเลยมหาวิชรามไม่เรียกมหาวิทยาลัยใครจะไม่เรียกตามไปชักเนี่ว่าเรียกคนเดียวก็ได้วงเล็บวอลสละะเรียกคนเดียวก็ได้ไม่มีใครเรียกก็ไม่เป็นไรใครจะร่วมเรียกด้วยก็เอาเรียกเฉยๆไม่เอาน่ะมาปฏิบัติมาประพฤติมาเป็นนิสิต มาเป็นนักศึกษามาเป็นผู้เรียนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เราจะได้กอบกู้เราจะได้ช่วยสังคมอย่างแท้จริงนะเพราะกอบกู้อะไรอื่นเอาอะไรอื่นมากอบกู้ไม่ได้หรอกได้ก็ชั่วคราวสมบัติผัดกันชมอยู่อย่างนั้นเนี่ยหมุนเวียนไปในโลกธรรมถ้าเป็นโล ก, กุตระแล้วมันจริงเพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่เห็นแก่ตัวและมันก็ไม่ติดสมบัติวัตถุอะไร แต่มันไม่ได้ดูถูกสมบัติวัตถุสมบัติวัตถุอะไรที่จะเป็นเครื่องอาศัยที่ดีที่เหมาะสมเราก็ช่วยกันสร้างเราไม่ไปเทศเบียดเบียนใครไปเปยให้คนอื่นสร้างแล้วเราก็ไปเบียดเบียนเอาไม่เอาตอนนี้พวกเราเนี่ยมันเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ที่บรรดาเนี่ยกําลังเกิดปลุกจิตวิญญาณเกิดสําคัญอยู่อันหนึ่งคือ มันปลูกแต่มันไม่เก็บที่มันราด จ, จนกระทั่งทรมานทรกรรมคนเก็บคนเก็บก็เอาจริงเอาจังก็ยังดียังมีคนเป็นหลักจนกระทั่งเก็บคนเดียวก็ไม่ไหวขับรถไม่เป็นก็ต้องหารถยนต์มาจงคนหัดขับเป็นบังคับให้เป็นคนขับรถได้เพื่อเก็บขับรถไปเก็บผัก มันรวยไหมบ้านเนี้ยขับรถยนไปเก็บผักต้องใช้รถรถเข็นไม่ทันไม่พอไม่ไหวต้องใช้รถยนต์ขับรถไม่เป็นก็จะต้องได้รถแต่ได้รถก็หาให้ได้เหมือนกันจนหัดขับรถเป็นจนขับรถเป็นจนใช้รถจนไปเก็บผักเก็บมันอยู่คนเดียวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านหนัก จนคนเกิดจิตเห็นว่าโอ้โหของทิ้งคว้างขวางขอ ง, ของไม่มีใครเก็บไปเสร็จแล้วก็สะทอ้อนใจนิยายที่เขาจะสะท้อนใจก็เพราะว่าเขาไปเห็นว่าเออไปซื้อพริกที่ตลาดมาทำกับข้าวขายเสร็จแล้ว ก, ก็ไปเจอพริกที่สวนของเราเองเต็มแดงเต็ม ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันบนหล่นไม่มีใครไปเก็บ มีคนเก็บนึกออกมีคนเก็บอยู่คนเดียวเขาก็สะท้อนใจสะท้อนใจด้วยเหตุการณ์นิทานเรื่องนี้เรื่องจริงอะนะสะท้อนใจโอ้โหดูสิบอบัลราดเนี่ยมันปลูกแต่มันไม่เก็บหาคนเก็บไม่ทันแต่ละวันแต่ละวันนี้ก็ไม่รู้กี่กิโลพืชพันธุ์ที่ทุนเรามีก็เท่าที่เก็บได้ ถ้าไปช่วยเก็บก็จะเบาแรงแล้วก็จะได้มากกว่านั้นด้วยผักบางอย่างเนี่ยยิ่งไปเก็บมันมาเป็นตัดเป็นแบบมันยิ่งรัดมันยิ่งโตมันยิ่งออกนะถ้าไม่เก็บมันมันก็จะต้องเอาอาหารมาเลี้ยงไอ้ตัวนั้นเนาะแก่อยู่อย่างงั้นนะ่ะบางทีก็แก่จนเสีย เราะฉะนถ้าผมว่าเราทําตามขนาดควรของมันว่าเออนี่มันถึงข่าวต้องเก็บได้แล้วแก่พอสมควรใช้ได้แล้วก็เอามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็หมุนเวียนอย่างได้คุณค่าอย่างได้ความหมุนเวียนเซอร์เคิเลชันของมันก็เป็นไซคลิกออเดอร์ที่เยี่ยมยอดการหมุนเวียนก็มันก็เป็นการหมุนเวียนที่เข้าระบบประโยชน์สูงประหยัดสุดเข้าระบบที่ได้ สัตว์ได้สวนได้อะไรแต่ออไ้ที่ดีประโยชน์สูงประหยัดสุดนั่นแหละนะเพราะงั้นตอนนี้นี่ก็เลยเร่งรัดพัฒนากันะจะมีคนช่วยเก็บผักเก็บพิดเพิ่มขึ้นเราปลูกกันโดนี่สวนไดไรสวนก็ดกเดนมีกินมีเก็บกันได้ถ้าเผื่อว่าถึงขั้น เราจะไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็พยายามในงานเจเนี่ว่าเราจะต้องพยายามมันก็ไม่ทันละเพิ่งจะมาตื่นตัวกันปีนี้คิดว่าต้องเตรียมตัวกั น, กนเลยเนี่ยวนนบก็ตื่นตัวกันพยายามเร่งรัดพัฒนากันเพื่อที่จะเอาภาระในการที่จะทําตนในสังคมของเราเองของสังคมอโศกนี่แหละในบรรดา ก, ก็พยายามทํากันมีตัวบุคคลนี่คือการเรียนรู้อุดมศึกษาก็พยายามอยู่นะตอนนี้ก็มี แม้แต่สวนของคนอื่นก็ให้ไปดู น, นั่นเนขาปลูกเขาอะไรไว้เนี่ยสวนของจลัดเขากไปละเขาก็จะไปเมืองนอกเขาก็ยกให้เราดูแลน้าน้องชายของพิจิตน่ะนพ่อของชิตวันน่ะสวนอะไรอะไรเรียกอะไรนะะโดงใหญ่อ่ะลำโดง สวนโดงใหญ่นะก็ขมีขมันอยู่ก็มันก็จะมีมันมีมีผักแต่มันมีผลไม้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้สวนหนึ่งเขาก็คงจะต้องทาเพิ่มเราทาผักแต่ที่นี่ก็มีสวนผักของเราก็หลายผักเราไม่ไปเก็บอย่างที่ว่าแม้แต่พริกที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีปลูกแล้วไม่รู้จะเก็บคนเก็บน้อยของก็เหลือก็ทิง้งนะนี่ไม่ดีก็มีคนมาช่วยกัน ช่วยเก็บไปกินมึงเงินรัฐ บ, บ้านมันรู้แกวมึงช่วยไปเก็บบางพวกเราก็เอา้าเก็บกไม่ได้ไปแข็งขืนอะไรมากมายนนมันก็เป็นไปนเนี่ยตมาก็าเล่าถึงสภาพจริงเล่าถึงสัจธรรมเล่าถึงศิทธิศีเต่าถึงความรู้เจา้าอธิบายสู่ฟังแล้วก็เอามายืนยันกับพฤติกรรมกับความเป็นมนุษย์ว่าพวกเรานี้ได้ประพฤติ ธ, ธ ร, รมของระพุทธเจา้า ได้มกักได้ผลได้มีเหตุปัจจัยที่มันเกิดกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเป็นพฤติกรรมและก็เป็นสังคมกลุ่มเป็นองค์ประกอบของมวลชนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันเกิดขึ้นแล้วตามลําดับตามลําดับตามลําดับนะเพราะงั้นก็พยายามไฝใจศึกษาผู้ที่มาแล้วจงมา ผู้ที่มีศีลแล้วจงเจริญอธิศีลมีศีลแล้วก็จงมา พ, พัฒนาเพิ่มให้มันเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิมุตตให้พัฒนาขึ้นได้จริงๆแล้วก็จะได้เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้แก่สังคมโลกทุกวันนี้ทุกอย่างชัดขึ้นทุกอย่างเห็นได้รู้ได้ดีขึ้นดีขึ้นนะ เอาละสำหรับวันนี้อาตมาได้ใช้เวลาครบตามสองชั่วโมงแล้ว